นอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยยังมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสาระกราบข อ, ขอความเคารพแด่ห <c oughs> ลวงพ่อผู้เป็นประธานในการจัดพาปฏิบัติธรรมโดยความเคารพแล้วก็คณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรม ทุกท่านก็เจริญธรรมไปยังน้องสามมนเนรลูกสา ม, มนเนรนะก็เจริญธรรมไปยังญาติโยมทุกทุกท่านผู้ที่ใฝ่หาความจริงที่มันมีอยู่กับเราทุกทุกคนอนั่งฟังสบายๆแล้วก็เจริญสติไปด้วยวก็พูดเรื่องประสบการณ์ที่ได้มาเจริญสติแล้วเป็นยังไงมายังไง สบายสบายฟังมีคนคนใหม่กี่คนเยเอะไหมอ๋อเยอะเหมือนกันนะอาตมาก็คนใหม่หมันเดิมนั่นแหละยังใหม่อยู่ใหม่กับการรู้สึกตัวเราเป็นคนใหม่อยู่ตลอดเพราะว่ามันยังไม่ได้ก็ว่าอะไรนะยังไม่มันยังไม่หมดจิเลียดอยู่เนาะเราก็ต้องใหม่ทําใหม่ด้วยเราต้องศึกษาไปาทําไปวิธีการทําเนี่ยยิ่งมันไม่ยากมันยากที่มันหลง ยิ่งเรายืนเดินนั่งนอนก็เป็นธรรมชาติของของกายของใจเราเนะี่ยเป็นธรรมชาติดีแต่ว่าตัวที่มันไม่ตัวที่มันมันไม่รู้สึกตัวนี่ตัวหลงนี่มันมันเยอะแล้วนั้นจะม า, าพูดประวัติก่อนเนาะเอาพังฟันสบายเล่นๆไม่ต้องเบี่ยนทําความรู้สึกตัวไปไม่ต้องไปเพื่อจะไปวาดหวังอะไรเพราะมันมากจิตวันจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้เข้าย่อยนี้ ดีมันตั้งใจมากเกินไปแล้วว่าทําแบบยังไงขอให้เราได้ทําขอให้ทํามันได้ทําต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าเรามาอยู่เนี่ยจริงจังอย่าเอากลับไปบ้านให้มันแจ้งที่เขาว่าก็เอาไปเอาไปที่จริงเราทําทําให้มันต่อเนื่องให้มันเป็นให้มันรักใจให้ใจมันรักให้ใจมันรักใจมันชอบใจมันอยากทําถ้าใจมันรักใจมันชอบใจมันอยากทําอ่ะเมื่อก่อเราทําทุกอย่างอ่ะถ้าใจมันชอบ ยังด้วยมาพูดเรื่องว่าเรื่องการเนี่ยนะเรื่องการเนี่ยใจมันชอบใช่ไหมเพราะว่ามันเคยคุ้นเคยมารู้มันมาจีพบจีชาตและเรื่องการเรื่องกินเรื่องเกลียดเนี้ยใจมันชอบใจมันไฝ่หาถ้าใจเรามันไฝ่หาเหมันก็ไฝ่หาธรรมหาสติหาธรรมนะรับรองว่ามันรู้แก้งพมแล้วละถ้ามันรู้ไฝ่งั้นอะแต่ใจเราจริงๆแบบมันมันไม่ได้ไฝ่หาตัวสัจธรรมนะความจริงที่มันมีอยู่มันมีอยู่ทุกคน แต่ว่าใจที่จริงใจเรามันมันมันมันไม่มันไม่ชอบจริงจริงะมันไม่ชอบจริงจริงมันมันไม่ใจมันไม่ได้รักแบบว่าทุ่มเทแบบว่ามันอะมันมันมันยังมีตัวเมือค่าเราชอบมันใจเราชอบเรื่องๆน่ะอัตมาเทียบกับเรื่องอะไรเรื่องการอย่างเงี้ยโอ้ใจมันใจมันหวยเหมือนกับมันมันมีความสูงกับเรื่องพวกนี้แหละถ้าใจเราเราเราใจเราก็เลยไม่ได้มาเรื่องพวกนี้ แต่นาจมาบวชมาก็ยี่สิบปีนี้แหละบวชเล่นๆไปเล่นๆมาไม่ตั้งใจบวชบวชก็ไม่รู้เรื่องว่าบวชอะไรนะบวชตามบัพเณีไม่รู้ว่าดับทุกข์กับอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นอะไรหรอกบวชตามบัพเณีบวชละเมื่อเข้ามาเพราะว่ า, างั้นนะ อ, อ๋อันนี้สงฆ์ที่ได้บวชเรื่องในตามบัพเณีเด็กๆเนี่ยยายไปวัดเราก็เอาหอบเสือหอบสัตร์ไปส่งยายไปส่งปิ่นโตอะไรพวกนี้อะตามบัพเณีบ้านนอก ก็ไปส่งพ่อแม่ก็เวลานั่นก็ให้ไปวัดไปเปินโตไปอะไรเงี้ยตามบัพเณีที่พ่อแม่มีอยากได้บุญอยากได้บุญก็อ้าวไปทําบุญไปวัดก็ว่าได้บุญที่จริงคนก็ไม่รู้อย่าว่าบุญเป็นยังไงนะโยมได้บุญอยากได้บุญแต่ต่อมาก็เขาไม่รู้เหมือนกันลนะ่ะบวชก็บวชตามบัพเณรนี่แหล ะ, ะบวชไปก็บวชจากสามเดือนก็จะซึก ไปสร้างโลกมันเขาเนี่ยไปสร้างโลกเพราะว่าเราก็ไม่รู้เป้าหมายเราเกิดมาทําไมเพื่ออะไรจะอยู่ไปทําไมจะได้อะไรมีแต่ว่าเกิดมามันก็ต้องอะไรแบบต้องต้อง <c oughs> ในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยเหมือนกันอะ่ะคือเราต้องมีมีอะไรให้มันมีหน้ามีตาในสังคมหมู่บ้านเขามีรถเมียอะไรก็อยากวิ่งสแสวงหาเหมือนกันสแสวงหาทรัพย์ภายหน่อยเรื่องทรัพย์ภายในอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่อง เรื่องสัจธรรมเรื่องอะไรอรหังสมาสัมพุทโธพระกวนะโมนะเมอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะมันก็มืดน่ะมันมืจิตเรามันมืดมันมืดมันไม่ได้ใฝ่หาแต่ว่ามันเกิดมาอย่างดีเราว่าเรายังเกิดมาเจอคําสอนพุทธเจ้าอยู่ในในประเทศที่มันมันมีคําสอนพุทธเจ้าแล้วก็คงจะมีบุญมีกุศลเรามั่งที่เราได้มามาบวช ตอนนี้อาตมาบวชมานี่ก็บวชตามประเพณีก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าบวชอยู่วัดบ้านวัดบ้านก็คือวัดบ้านนั่นแหละก็พระอยู่ก็พระเขาก็อายุน้อยแล้วก็ก็คือบวชอยู่วัดบ้านธรรมดาเนี่ยอาตมาเป็นคนแบบแต่กวนมันเป็นคนปกติก็คนชอบทํางานทํา ม, มาทําอะไรไปยวัดไม่มีอะไรทํำใช่ไหมเอยมาอยู่ทําะไรไม่รู้จะทําอะไรแต่ละวันพระก็ไม่ได้ มีน้อยก็คือท่องหนังสือต้องต้องสวดมนต์ให้มันได้เนี่ยไปเจริญพุทธมนต์หรือสวดงานอะไรก็ว่าต้องสวดงานศพกุศลธรรมกุศลธรรมะเนี่ยต้องสวดให้มันได้ น, นี่คือเป้าหมายคนที่บวชถ้าไปสวดมนต์ไม่ได้ไปนั่งเฉยเฉยไอเขาบวชมาไม่ได้อะไรก็ง่ายก็ให้มันสวดมนต์ได้มันดังๆว่ากันก็ต้องสวดกับเขา อยู่ได้บ้านมันถึงสามวันนั้งก็เลยว่าโอ้ย โ, โยมแม่เอ้มีวัดไหนที่จะมีพรนั่นไหมแถวบ้านนั้มาอยู่สารคามสารคามนี่เป็นจังหวัดที่อาภาัพหน่อยเป็นจังหวัดที่ไม่มีภูเขาภูเขาป่าไม้แล้วก็เมืเ่อเศษเขตตงนี้มันป่าไม้ภูเขาไม่ค่อยมีพระที่ปฏิบัติดีแบบไซวัดป่ายนี่มันก็จะไม่ค่อยผ่านใช่ไหมมันจะเป็นวัดเป็นชาวบ้านทำวัดธรรมดา แต่นี้ก็มีมีพระสายวัดป่ามาอยู่ป่าช้าแต่ประมาณยี่สิบกว่าปีสามสิบเกือบสามสิบปีนับถอยหลังจากวันเนี้ยไปประมาณสามสิบกว่าปีแต่ก็เป็นพระหนุ่มรุ่นราวเขาเดียวกับวัตมาแล้วมาอยู่ป่าช้าเราก็ไปสัมผัสดูคือคือเราทุกข์อยู่นะเราไม่รู้จักเราเป็นทุกข์เราดิ้นรนหาเงินไปหาเงินสแสวงหาเงินอยากได้เงิน เราดิ้นลนเราชีวิตเข้าไปแรกเราก็ไม่รู้หรอกล้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าเราทุกข์ลึกๆข้างในแต่เราไม่รู้แต่พอได้เราได้ไปอยู่ป่ากับธรรมชาติแล้วไปสวดมนต์จิตมันอยู่กับความสงบความสงบได้นั่งสมาธิคำว่านั่งนี่ละนั่งพูดโทรเราก็ไม่รู้อะไรเขาพานั่งสวดสวดมนต์ก็สวดเยอะนะสวดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสวดไม่ได้แปลสวดธรรมจากสวดเขาก็พาสวดไปสวดสวดตัวก็นั่งสมาธิก็จิตสงบ แล้วก็กิจสงบได้แค่ความสงบรเรื่องสติเรื่องปัญญาก็ยังไม่ได้อะไ ร, รเรื่องสตินี่ไม่รู้เรื่องจนพรรษาที่ห้าที่หกมาเนี่ยก็ออกจากที่อยู่เนี่ยก็เลยไปอยู่จำพรรษาที่อื่นพอกลับมาเยี่ยมครูบ า, า, อ, บาอาจารย์ท่านก็ว่าอ้าวไปช่วยงานเขาหน่อยเขาจะมีใบดีกามาเขาจัดปฏิบัติทำสายงานหลวงปู่เตียนเราก็ไม่รู้แล้วก็ไปช่วยงานเขา ช่วยงานกันก็มีพระสายหลวงพ่งอเทียนรู้จักหลวงพ่อกรมไหมใครสายหลวงพ่อเทียนที่อายุท่านแก่แก่กว่าเพื่อนตอนเนี้หลังค่อมๆหลวงพ่อกรมจะเป็นคนดูแลพระพ่อเป็นพระอาวุโสคนแก่อย่างน้อยพระก็ยังให้ความเคารพกับความเจรคนที่มีอายุมาหนีิคน่าใครพระมาหนี้คน่าบอกอีสานบอกรู้เรืงมาบอกไปมามันจะพูดอีสานะ <laughs> มันทันหนัก <laughs> มานี่มานี่อันน่ะวพ่อหลวงพ่อหลว ง, งพ่อก้มอัน่ะมา น, ามานี้มานี้นอน่ะพระพูดไดพระไม่อานว่แล้วก็ไปอยากบินธบาต ท, ทางบ้านนอกเขาจะมีบินธบาตเขามาเขาสารอาหารแห่งเขามาช่วยเจือจุนในงานไั่ปลากระป๋องมามาปลากระป๋องน้ำปลาหอมกระเทียมมาช่วยกันระดมในการทำงานเพราะว่าปัจจัยไม่ค่อยมี สิ บ, บาทยี่สิ บ, บาทช่วยกันแบบเคลื่อนระดมกันไปพอ ก, กลับมาก็ ว, ว่ามาเจริญสติแลเราไม่รู้เรื่องเลยว่าบทมาหกพรษาน ะ, จะเจริญสติสติเราก็เรียนแต่อะไรนมามกววาดนักธรรมเช่นตีสติคือความระเลื่ได้สัมผัสคือความรู้สึกตัวเราก็เรียนรู้แต่ว่าที่มันเรียว่ารู้สึกตัวที่เราทําเนี่ยมันไม่รู้เรียนรู้แต่มันไม่รู้ว่าตัวสติเป็นยังไง อแต่ก็พาทำนั่นแหละอ้าวมือไว้ข้างหลังอะไรแกว่าน่ะสมัครหน่อสมัครก็ไปทํามานะแต่มาก็ยังไม่เข้าใจนะเป็นพระวิปัสนาจารย์มาเรียนที่วัดสุวรรณประสิทธิ์ไม่รรษาไหนไปเรียนเป็นเรียนมาแล้วก็ไอ้กูเป็นพระวิปัสนาจารย์ไปอบรมทั้งสามเดือนนะไปสุกอยเขามาไอ้กูเป็นพระวิปัสนาจารย์ ไม่มั่นใจตนเองใบประกาศที่ว่าเป็นพระวิปัสนาจารย์ล้วไปไหนล้รู้รู้เลยว่าเขาไม่ได้รู้อะไรเอยมันก็แต่ก็รู้อยู่แต่ว่ามันมันก็เข้าใจมันกัน่ะระบบการเดินการการนั่งก็แล้วแต่ว่าดูใจลึกๆแล้วว่ามันมันไม่ใช่เป็นพระวิปัสนาจารย์นะเอาไปอบรมไปอะไรไปอบรมเน้นหรือบ้ากานี้ก็ไปอบรม ตามมา น, นอกอนนะพาเดินหกจังหวงัดังวันหนึ่งกว่าจังเนาะดีดีไม่ดีได้ได้ความสงบได้สมาธิวันวันจุดๆเริ่มไปทุกอย่างและ่ะแต่ว่านี่เป็นคนชอบแบบยังไงนะ่ะมันชอบแบบต้องเป็นท้าทายสัาากหน่อยหนึ่งอะนะตามเอ้าวุดงทุดันก่อไปกับเข า, าดันไป อยู่ได้ก็ดันไปนั่นงานนั่นงานนี้ไปมันแบบว่ามันที่จริงมันก็เพลินกับหมู่คณะกับเที่ยวนั่นแหละตุดงไปก็บายไปมากน้อยมากน้อยสันโดษพายเซ่เขาก็ว่ากันเลยนะมันก็เพลินไปนะที่จริงจิตเราที่จะให้มาอยู่กับความรู้สึกตัวนะเอ้าเอ้ามันจิตเราเนี่คือมันอยู่กับโลกข้างนอกแล้วจตดึงเขาให้มาอยู่กับตัวรู้สึกมันมันจะอึดอัดมันก็คนใหม่ๆนี่อึดอัดโอ้ยหงุดหงิด ร้อนก็ร้อนลูกหลงมาได้ยังไงใช่ไหมโดนจ้างมาเมื่อกี้คนที่ได้มาพูดเลยนะมาอยู่จังหวัดแพร่ช่วยงานที่แพรย์เนี่ยคนไม่มีบุญจริงๆไม่มีบุญไม่มีว่าสนาเนี่ยจะอยู่จเจริญสติไม่มีโอกาสได้มารู้เรื่องนี้นะเรื่องจเจริญสติไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสิ่งอัศจรรย์ของโลกที่ว่าอัศจรรย์ที่เขาว่าอะไรนะหกเยี่ยนยางนะ เราไม่ได้มาเจริญเสื่อหนิอาสัจจริสุดในโลกนมีกี่คนคนทั้งหกพันกว่าล้านคนใช่ไหมนี่ยคิ ด, ดัวเราได้มาทำํำแต่ว่าทำแล้วจะได้เกิดเกิดสติเกิดปัญญาเกิดเข้าใจมันก็ยากแล้วแต่ทําแล้วเด็กอย่างน้อยเอาไม่ได้อะไรอยู่กับหลวงพ่อนี่ท่านจะพยายามจะให้ท่านจะพยายามจะให้เราเข้าใจหลักการและวิธีการเมื่ออะไรท่านจะพยายามสอบพยายามถามปารลุม้อย่างได้ข้มงวดความเข้ า, ขขขาใจในเบื้องต้นแบบ อย่าไม่ให้เพิินใช่ไหมอย่างที่เราทําไปบางทีเขาก็เอาเดินลุยลูกเดียวห้ามนั่งเคยไปไหมบางที่เนี่ยเขาจะมันมันก็แล้วแต่คนอนะบางทีถ้ายิ่งถ้าทําแบบถ้าคนใจมันสู้หน่อยๆเอาเดินเดินเดินเดินเดินถ้าเวลาไปนั่งที่จริงถ้าเรานั่งเวลานั่งมันเสพผงม่วงใช่ไหมผงม่วงเรามันจะเบื่อมันไม่อยากเอาอะไรเลยนะยิ่งไปนั่งเก้าอี้คุณไปนั่งเก้าอี้ดิ เดินเหนื่อยๆจังหน่อยเปนั่งก็เออไปยกมือจังสิงห่าสิผมรู้หลับเมื่อไหร่วันนี้ตั้งใจจะไม่หลับวันเดินมันเหนื่อยวันเหนื่อยเราไปแค่ไปนั่งพิงเสาหน่อยนะ้วว่าเหนื่อยนั่งกัหน่อยยกมือไปยกมือว่ามัหลับไปเมื่อไหร่อันั้นใหม่ๆก็ต้องอดทนนะการปฏิบัติธรรมขันติกเกิดมาเสื้อเพื่ออะไรเพื่อสร้างเกิดมาเพื่ออะไรอาโยมกูกูเกิดมาทําไมวันนี้เพื่ออะไร เกิดมามาสร้างโลกมากินโลกนีต่มาไม่ใช่สร้างโลกนะคนเนี่ยมาสร้างโลกกินเจาะกินใต้ดินใต้อะไรบนฟ้าอยู่ไปกลังแต่หากินทั้งโลกอีกใบหนึ่งอบนอากาศคนเราเกิดมาเพื่อทําลายโลกเลยนะอันนั้นว่าแมาสร้างโลกมาเลยนี่จะทําลายโลกจะกินโลกคน่ะยิ่งไม่มีคุณศิลคุณธรรมยิ่งไม่มีนี่ยิ่งทําลายโลกยิ่งน่ากลัวคน เห็นแก๋ได้เก๋เอาในสังคมทุกวันนี้นี่นแหละก้าขาดกินขาดคุณธรรมกานเกิดมาเพื่อเอาแค่นี้เพื่อสร้างบารมีก็พอไหมเกิดมาไม่ใช่หรอกเกิดมาเพื่อไม่เกิดอีกก็คงจะเป็นไปไม่ได้ยากอยู่นี่คือคําพูดของพระอรหันต์ท่านพูดนะเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อไม่เกิดอีกแสดงว่าท่านไม่อยากมาแล้วอันนั้นรอรอเกิดมาเราเพื่อสร้างบารมี ที่เขาว่าทานศีลบารมีบารมีสิบทัศล่ะบารมีสิบทัศแต่ว่าบารมีที่แก่กล้ากก็คือภาวนาตุนเนี่ยตูภาวนานี่หละภาวนาเอาง่ายก็คือการภาวนาไปว่าขยันรู้รู้กายรู้ใจเรานี่ยขยันรู้ไม่ต้องไปรู้อะไรนะให้รู้ขยันภาวนาไปว่าขยันรู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจของเราปฏิบัติธรรมเนี่ย แล้วแล้ววิธีการของเรื่องเนียนเน้ยแบบนี้อาจจะมาก็พูดต่ออตอนช่วงนี้นะแล้พูดเล่นเล่นสบายสบายไปทําความรู้สึกไปยกมือนั่งเนี่ยจะนางซื้อว่าเสียฟั่งไปนั่มนางยกมือไปสินะห <_ c oughs> ลู่เรื่องบ่หู่เรื่องกัสามหัวหู้ซึกเขาให้มันรู้สึกตัวมันนางอาปากทักก็สบายสบายที่กินข้าวินข้าวจะบังคับแต่ว่าบางทีก็อาจจะโดนบังคับมา มีบางคั้มานเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตเองเข้าใจธรรมะเนี่ยก็โดวงที่เจ้านายบังคับมานะมาเดินเดินเดิน่นลู ก, ก็ให้กูมาทำไมวะลูกกูก็ยังเล็กอยู่ว่าบ่นเลยนะทำทำไปโอ้ยเราพยายามปลอบใจนะโยมเอ้ยเขาจะเสียทั้งเงินทั้งรถทั้งอะไรมาให้เรานะค่าเงินเดือนก็ได้มาทำก็ได้ ก็บนนะคนบนมันทุกข์อะไม่ใช่อะไรหรอกถ้าปฏิบัติธรรมแบบสายหลวงพอ่อถ้ากินจริงเอาจังมันจะทุกข์แต่วิธีอื่นเราไม่นเนี่ยพ่อไปนั่งหลับไงหลวงพ่อดาท่านเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเทียนท่านไปประชามาแต่งานประชุมสายงานหลวงพ่อเทียนที่วัดแพร่ไม่เคยเห็นท่านหรอกก็ได้ยินแห่ชื่อท่านขณะไปกับหลวงพ่อเทียนนี่นะ พายยากไหมหลวงพ่อเทียนไม่รู้จักหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนสอนผมนะถ้าหลวงพ่อเทียนสอนผมให้เข้าใจทำม า, านได้ผมจะมอบกายสาวาชิษเป็นลูกศิษย์เลยพูดกับหลวงพ่อเทียนนั้นนี่ไปกับหลวงพ่อเทียนไม่รู้แล้วแกเป็นคนซื้อเขาว่ากัญญาเนี่ยเขาว่าให้กินให้หมดอย่างนี้นะเขาว่าเขาสั่งมาเนี่ยยายาแบบเนี้ยเขาว่าให้กินเงนี้ใช่ไหมกินให้หมดแกก็เอามาแกก็กินหมดซื้อขนาะดนี้เนี่ยคือกินให้หมด เขาว่าแบ่งกินอะไรกกินกันแกก็กินท่านเป็นคนซื่อจิตเป็นคนซื่อท่านเอาท่านไปทําท่านเป็นเป็นธรรมยุทธนะสก่อนท่านไปทําพุทโธท่านพุทโธเนี่ยถ้าท่านเปียบท่านฟังท่านพูดว่าเหมือนรู้จักเล่าสาโทไหมมันจะหมักแล้วมันจะหวานหวนใช่ไหมมันจินแล้วมันหวานเพราะมันหวานแล้วมันเมาท่านว่ามันเมาการภาวนาพุทโธเนี่ยถ้ามันมันยากมันมันคนจะเมาไงมันจะเมา ติดสงบติดยากนะคนที่จะอย่างนออย่างไรที่จริงนี่ถ้าพุโทโธนี่มันจะติดมันจะจิตความสงบแล้วมันจะนั่งติดปีตีติดพวกเนี้ยออกยากหลวงพ่อเทียนยังว่าปีตีก็ยังเป็นอุปสรรคแต่ว่าเขาว่าได้ปีตีนี่ได้ธรรมะอะไรนะไหมปีตียังเป็นอุปสรรคคือมันดีใจมันจะเข้าไปไปเข้าไปดีใจไงดีใจก็ไม่เอาหลวงพอ่อปีตีก็ให้รู้ว่าน้องให้ผ่านนี่หลวงพ่อเทียนอันนี้อันน เออแล้วหลวงหลวงพ่อดาเนี่ยท่านท่านเข้าใจกับหลวงพ่อเทียนท่านอยู่กับหลวงพ่อเทียนท่านว่าท่านอยู่จนจนทั้งว่อเทียนมรานะนะตั้งแต่สิบกว่าปีสิบสี่หรือสิบห้าปีท่านอยู่กับหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนว่าอ้าววันนี้คุณดาไม่ต้องไปท่านก็ไม่ไปอ่าววันนี้ให้ไปไหนท่านจะไปท่านพูดอย่าง้อาจารมาไม่รู้อาจามาไปกราบพระอาจารย์คำไม้แล้วก็ไม่รู้เราก็ยกมือไหว้เฉยอาจารย์พราว่านี่อาจารย์ด่าอ้าวผมก็ไม่รู้เลยะ มันคนแบบง่ายๆไปสอนอยู่ที่อยู่ที่อเมริกาสหรัฐนะอาจารย์สอนสอนท่านท่านสอนคือได้นะคือถ้ามันได้พวกพวกครูเป็นพวกจิตาวิทยาไปเรียนกับท่านแต่ที่มันค่อยเผยแผ่ไปเพราะมันพวกนั้นมันมันคือมันให้คําตอบไม่ได้พอให้มาทําตัวเนี้ยนะพอหลังเวลาเขาตัาง้งทาเขาตั้งใจทำคือมันมันได้มันได้คําตอบพอได้คําตอบเขาก็ทําเพอคำคำตอบมันก็อยู่ในการกาะทำ นี่คือมันก็ค่อยๆเผยแผ่ไปมันใช่มันจะได้เยอะนะแบบมันก็ค่อยๆซึมค่อยไปได้คนระดับปัญญาชนของเขาไปแล้วก็ได้ไปสอนต่อนีต้ตอนนี้เขาว่าอยู่ทางเอเมริกาเนี่ทางบ้านเขาจ ะ, จะตั้งเป็นอะไรเขาก็าจะสอนระบบมหาสติปัฏฐานมหาเรื่อพวนี้เขาตั้งเขมันระบบมหาเลายเขาเลยนะของบ้านเรามีแต่จะจัดทิ้ง <laughs> เรื่องภาวนาเรื่องศีลเรื่องธรรมอะไเขาจะเอาทิ้งหมดแหละตอนเนี้ยแทน มันบ้านเรามันมันมีหลายระบบระบบที่จะทำลายศาสนาก็มีบ้านเราดูดูดูไปเหยื่อโยมอ้ยต่อไป อ, อันตรายมากพูดมากกูไม่ดีรู้กันเองพูดมากมึงพูดมากมึนพูดมากยิงทิ้งเลยอะไรเฝ้าพระเจ้าอะไเฝ้าพระเจ้าของเรานี่ อันรดตะมาปุ๊บมันหยัดนั่นหรอกก็ดีเรามีโอกาสเราลิบภาวนาเหอะอีกหน่อยยังรู้จะเป็นยังไงเมืองไทยเรานี่ตกเป็นทาตของหมนแล้วพูดไปมันก็หลังเรื่องเนาะกลับมารู้สึกตัวนะ่ะกลับไปก็ฟุ้งซ่านเลยถ้าพูดเรื่องเรื่องสังคมคนไทยจะมาว่าเนะราพูดเรื่องคนไทยเราก่อนอะ่ะเอ้ยมั น, ม, น, ม, นมันไม่พัฒนาไหมโยมว่าไหม คนไม่พัฒนาแล้วคนไทยคนยิ่งของบ้านนอกเนี่ยอะไรเหมือนกันจะมากเกิดมาห้าสิบปีหรือเร่ห้าสิบสองหรือเรือง ล, ลองดูบ้านนอกกินอะไรมันก็ทิ้งกูนั่งกินแม่ตัวนี้หรือบา้าข้อสียกูไม่เจ็บกูว่างไม่ตรงนี้แหละดูดบรกกิก็ดีดดิ้งทิ้งมไม่คือพื้นฐานอย่างนี้ยังไม่ได้กูจะไปพัฒนาอะไร แก้ความสะอาดยังไม่ได้ควรรับผิดชอบแค่นี้แล้วสังคมทุกวันนี้พ่อแม่แตกแยกกันต้งดูดิหัวเมียมีกันมีกิ๊กมีกันว่าไอ้มั่วกันไปหมดอย่างเดียวแค่ขาดศีลตาดธรรมใช่ไหมนี่มีแต่ปัญหาเดี๋ยวทุกวันนี้คุณจะเขียนกฎหมายมาดีขนาดไหนคนมันขาดธรรมแล้วไม่มีคุณธรรมแล้วตอนนี้มีเงินแต่เอาไปพัฒนาแต่วัตถุได้อะไรแต่เรื่องพัฒนาคนไม่มี คุณธมภาพของคนของอะไรอย่างโรงเรียนขยายโอกาสก็ขยายลงไปขยายไปเฉยๆกับคุณภาพไม่มีการศึกษาผู้ใหญ่มึงมาเรียนไปมึงมึงเรียนไหมไออย่างไปสอบมึงไม่มีสอบคว้ึ้มาสอบไปกูได้ไว้ันตรายเว้ยมึงรู้เนี่ยทำไปอะไรเรียนหนังสือก็ไม่จบมสองมสามมาไปกันตรายเห็นสภาพโอ้มันรู้มันมันนี่มันมันบ้านเรามันมันหมดแล้วมันหมดสภาพที่ที่ดูนะ แถวบ้านนอกแถวในวติดหนี้ติดสินกันดิ้นคออกไปให้หมู่บ้านละสองสามล้านเห็นไหมกู้กันไอ้กู้ไม่ให้มาให้กูกูโกรธเวลาติดหนี้กันเพรากเงินหมื่นที่เป็นทุน่มันหมดแล้วสามล้านคนละหมื่นสองหมื่นใช่ไหมกู้กันตอนนี้เอาแล้วก็ไปเอาดอกเขาก็มีคนจ่ายดอกมาจ้า ใ, ใช้กันเห็นไหมแล้วมันมีติดแบบนี่แต่นี่ มามาดูดูดูคนไทยเองหน่อยกะทั้งไล่นาต่อไปก็จะไปหุกนทุนนกเกืนกินหมดมีนามันก็ไม่ทำทุกวันนี้เด็กป้า น, นอกบ้านอีสานป้า น, นอกเขาทำนาไม่เป็นนายกตรงนี้มีแต่พ่อแม่คนแก่ ท, ทําำด้วกัพอดีมีนามีไล่หน่อยเขาขายพ่อแม่แบ่งเพราะเรื่องตรงนี้รุ่นอาตมายังแพงอยู่นะะนาบอกอย่างพี่ชายอาตมาเนี่ยมันยากมันจะขายมันรวยเพียงสนุก ติดจงอะย่าเียเขาขายเนี่ยคือแพงไม่ให้ลูกไงแต่ลูกมันก็ไม่ไปมันก็ไม่เอาลูกหลานไม่เอาคือเปนี้เอาไปทำไมเป็ได้ก็ไปขายขายไปเลยซื้อรถมาทำงานท่งเที่ยวอยู่ใช่ไหมขา ย, ยไปซื้อรถถือรถแล้วขี่ไปขี่มาไปตามขา้อหมดเลยเสียเด็กขายได้อะไรเลยเนี่ยพอแม่เนี่ยจะขายก็ไม่กล้าขายนะแล้วนามันก็ไม่ไปทา ติดนี่ส่งมันเรี้ยกอีกู่ตงหากเนาโยมเนาะดีๆมันก็หลานให้มาเลี้ยกแนี่ยบยมีแต่ปัญหาในชีวิตมาดูชีวิตคนค น, ค น, คนอยากกูได้อยากทุกข์อ่ะคนนี้คนอยากกูก็นไปแต่งงานเด้ออ่าันยังไม่แต่งก็รีบไปแต่งมันจะได้ทุกข์ทุกข์ฉันนี่ว่าไงว้ากูจักว่ามันยากมันอยู่กูว่าแต่งหัวมันดอกเงอลานีมันไม่แต่งไม่ได้หดอกการ ม, มันบีบอยู มันบีบนะกามันบีบขันเพราะมันบีบมันก็ต้องได้แสวงหาไงถ้าเรายิ่งเราไม่มีสตินะไม่มีตัวเบรกให้ในการดําเนินชีวิตยากขณะเราฝึกอยู่นี้มันมันยังไม่เอาเลยจิตมันะมาแล้วไม่มาอีกวัดนี้วิธีการอย่างนีของหลวงพ่อเทียนเนยมันจะไม่ค่อยสนุกถ้าคนไม่ยิงหรือคนที่ไม่มีเป้าหมายมันจะไม่อยากมามันทุกข์ กูอยู่บ้านกูก็ไม่ทุกูอยู่ลําบากอะไรอะไรกูมีกินกูไม่เห็นทุกข์อะไรกูจะมาทําไมไม่เห็นประโยชน์คือคนไม่เห็นทุกจริงๆรมันไม่ทุกมันมีอยู่แต่คนไม่เข้าใจไม่เห็นมันไงมันจะเพืนมันจะพืนในชีวิตมันเห็นทุกพอวันทุกเนี่ยพอวันทุกมันทุกเพราะอะไรวันวันชิดเพราะมันคิดมันออกจากคิดไม่เป็นมันก็ทุกพอทุกแล้วมันก็หาทางออกไะกินเล่าบ้างใช่ไหม าายิงเหล้าเมายาไปเที่ยวยิงกินยิ่ ง, ง, งทุกทุกจนเครียดกินเหล้าอันนีอะไรดีสินะคนที่รวยที่สุดก็คือบริษัทขายเหล้าบ้านเราเนี่ยอาตมามองดูแล้วมันน่าหดหัวที่จริงอาตมาเฮ้ยถ้ากูไม่ได้มาบวชเจริญสติกูก็ไม่เหมือนที่มองไปนะไอ้มันก็มันจะมันมคงจะเหมือนกับเขาเหรอวะมันไม่น่าจะไปว่าเขานะดีนะถ้ากูไม่ได้มาบวชมาทําตัวนี้ มันก็มืดเหมือนกันพี่น้องอาจะมาเหมือนกันนะขนาดเราพยานชวนว่าปีหนึ่งเนี่ยขอให้ได้หายขอให้ได้ไปปฏิบัติเกตวันอย่างน้อยก็ไปไปกระตุกไปอะไรให้ออกกา ก, ากตัวหลงตัวอะไรให้มันมีตัวรู้ขึ้นมาบ้างหน่อยมันยากคนที่จะได้ไปทำํำตัวเนี่ยมันครอบครัวมันยากจริงๆเนะยการมีครอบครัวเนี่ยมันยุ่ง ม, มันยากโอ้ยคุณคุณกวัวจะได้ไป พอลูกจบก็เขาก็เอาหลานมา ใ, ใช่ไหมก็ลองดูดนะ่ะก็เลี้ยงหลานไปอีกแลก้วนักปฏิมาคนไม่มีบุญมีวาสนาจริงๆที่จะได้มาปฏิบัติธรรมเจริญสิทธิ์เราเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองอยากมากยิ่งคนบ้านนอกนาายมวัดที่อัตมาอยู่นะสถานที่ดี ด, ดีสถานที่ป่าไมุ้่มรื่นดินเรียบเขาสร้างอะไรคนพระเขสึกนี้หมดลนะ ตอนนี้กาทํามาก็เลยไปอยู่ด้านปีนี้ก็คือแต่ก่อนกระปวดแล้วก็ไปอยู่นั่นอะไรประมาณ ก, ก็เลยเขาศึกไปก็เลยได้ไปดูสถานที่ก็เลยไปอยู่ดูดูเสียดายสถานที่ศาลาอะไรก็สร้างอย่างดีอะไรนะแล้วก็สึกออกไปตอนนี้พระแถววันนอกอะไรก็ไม่ค่อยมีแล้วตามวัดวั ด, ว ด, วดละองค์สององรักษาวัดเฉยๆนะแต่จะให้มีปฏิบัติเนี่ยากยิ่งคนวันนอกจะมีโอกาสได้มาเรื่องรู้เรื่องนี้เขาทำเขาไม่รู้เรื่องนะ คนค น, คนไม่ใช่คนธรรมดาที่จะเป็นรู้เรื่องอะไรง่ายนี่เป็นคนที่มีปัญญาชนนะที่การที่จะรู้เรื่องของสติธรรมะคนบ้านนอกคนอะไรล่ะอมันมันพูดเมืนกัคือเขาได้จะ่ทำบุญแบบเทนีอยะขอให้มีพระไปบินทบาททำามาสังเกตบินทบาทเวลาคนตายก็มีพระนิมนต์พระไปกุศลาทรมมาเผากันคือมันมันไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความเข้าใจจากชีวิตก็มีพระไหม ไปนั้นก็จบไปทำบุญอุทิศไปสร้างบาเพนีไปแต่เราในชีวิตเนี่ยทำไ้บวชลูกจิ้งบวชยิ่งจนบวชยังไงบวชจิ้งค่าหมูไ้กี่ตัวเลี้ยงเล่าลงทุนร้อยลงทุนล้านได้ร้อยหนึ่งมันไม่จนได้ยังไงเทศทำมาให้ฟังฟังไม่เป็นไม่มีขึ้นหรอกถ้าเทศสนุกสนานหน่อยมีอะไรเขากเป็นเสียงอะ มาเนี้่ยไปนะก็จะฟังพอฟังได้แต่ใหมาโทดเรื่องแรโยมรักษาสินไม่ไม่เอาแล้ะทุกวันนี้ที่ไหนก็เหมือนกันแต่ตอนนี้มันกันเหลือเหลือในกรุงเที่ยวเราก็คนที่จะได้มารู้เรื่องนี้ถแถวนี้มันยากในการจะรียนสตินะแต่ที้อาตมาก็พอปฏิบัติทํามันจีทุ่มจียำเลยเลือกจีทุ่มเลือกสามทุ่มจี เล้ก De er. De er. กี่ทุ่ม เ, นะ mm. เดแมันเกืสองทุ่มแล้วเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวยังไม่เปลี่ยนเลยยังไม่ได้พูดเลยออกนอก <N' ok S 2> <analyzed. S 1> เรื่องห <washes> ลวงพ่อจะด่าด้ยอัดเทปไปด้วย <laughs> สรุปไปสรุปมามเรื่องการการทำความรู้สึกตัวนะอาตมาเนี่ยก็ไปกับหลวงพอ ring, อ่อกลมก็ว่าเอา้เอาเอามื อ, เ อ, ม อ, เ, อเอามือไปไว้ข้างหลังคนวากินนะกัม แบ้าหัวบอ่อหัวนะเออเห็นบ่บ่เอาคือหัวก็แก่พูดอย่างนี้นะคำแบอาอ้ายันหูวเอเราก็ยังไม่รู้นะอันยันหัวเราเราก็พอรู้อยู่แล้วกัยันหูวนี่แหละตัวรู้ซึกกับท่านว่าตัวรู้ซึกกับมาพารำพาปฏิบัติก็เริ่มทํามา เร่จากงานนั้นตัตมาก็ก็ต่อไปเรื่อยเลยนะมันจะมีสายงานองพระเสียงจิตวัดละกิจวันจิตวันแล้วก็ไปไปเห็นหมู่คณะมันมีหน่อยว่ามันมีหมู่คณะทำอมไรอยูพระก่อทำโยมก่อทอคนก่อเดินง่วงม่วงมันก็มันง่วงไอ้ตัวสําคัญนะคนที่มาใหม่ๆต้องสู้กับคนม่วงมันเป็นมันเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่ง่วงแสดงว่าคุณมันผิดปกติคนไหนไม่ง่วงนะ คือว่าค น, ค, นาาคุณง่วงแต่ว่ากูปกติถ้าวันไหนถ้ากูไม่ง่วงแต่ว่ า, ากูผิดปกตินตตตตเนี่ยตัวตัวตไม่ง่วงมันจะงว่วงทั้งงว่วงทั้งคิดทั้งเบือ่อแต่ว่านี้วันห้าเครื่องกั้นจิตไม่ให้เราบรรลุให้เข้าใจถึงสัจธรรมมันกั้นไว้ก่อนวันนี้คุณจะมีความอดทนคุณจะมีมานะควมจะมีความพยายามไหมคุณจะสู้ไหมกับตัวงว่วงเนี่ยงว่วงเบือ่อเซ็ง ไงเมื่อยแล้วปวดแขนก็ปวดไหล่ก็ปวดไม่รู้เป็นไรจะไม่ไปทํางานทั้งวันยังไม่เมื่อยขนาดนี้เลยทำงานทํางานเนี่ยเราเรามันเป็นแบบเป็นธรรมชาติไงตอนนี้มันกับเราไปเก่งด้วยไงเรายกมือทั้งเก่งตั้งกลัวกูวกวไม่รู้สึ ก, กว่ายกไปไม่รู้จะเอาอย่งไงที่ใหม่ใหม่แต่แมา่าลุยไปก่อนแล้วตสติส ต, สตินี่ตัวที่ตัวรู้สึกนี่ มันมันของเรามันมีน้อยโยมคือมันน้อยพูดจริงจรมันน้อยท่านพระอานเอาจะว่ามีภยญาภยาความเคยว่ามีเงินค้ำบะมีท้ำเฝ้าจานิมือหอยเถื่อมีเงินทองนะถ้าไม่มีธรรมะคือไม่มีธรรมะในเราจะมีเงินมากมันก็รักษาเงินไม่ได้มีเงินค้ำบะมีท้ำเฝ้า จัดจานนี้มือห้อยเถอคือคือมันมันจะหนี้มันก็จะชวนไปเอ้ยไปเที่ยวแม็โครเถอะไปเที่ยวโมงไปน่นเถอะอยงเี้ยคือมันไม่มีสติในการใช้ใจ่ายมีเงินแล้วก็ใช้สู้รุ่ยสู้ไล่แต่บางท่านนี่นถ้าว่าถ้ามีทำไม่มีอินอ้อยอินอ้อยคือตัวน้อยอินอ้อยคือตัวสติตัวเนี้ยใบมึงก็ไม่อยู่แต่นั้นเราก็จะพยายามทําตัวรู้สึกตัวสติสติคือรู้สึกตัว อัตมาทำที่จริงใหม่ๆมันต้องทําไปหนักๆเพื่แต่เพือไว้ก่อนสามวันสี่วันรู้สึกมันรู้สึกมันยกไหมหนักรู้สึกยกไปที่หรองว่าทำไมให้เปลี่ยนบ่อยๆอย่าอย่าอ่านั่งแช่เพราะนั่งแช่พอดีมันไปจิดง่วงพรามันจิดง่วงแล้วมันไม่อยากแก้มันไม่อยากแก้เพราะไม่อยากแก้ก็จะนั่งเสียนั่งเดินยกมือใช่ไหมนะไปคนมาสะกิด น, นะไอ้เตือนไม่ได้หลับยังไงไม่อยากที่จะคือเข้าข้างตัวเองคน จริงเขาบอกมาบอกแก้เออแก้ะขอบคุณครับขอบคุณค่าพยายแก้พยายามลืมตาทําขนาดเราลืมนนมันนันก็จะพยายามหลับใช่ไหมเราจะพยายามลืมตาทําอย่างหลับวันนี้วันที่สองวันที่สามนั่นแหะวันที่สี่นั่นแหะเริ่มจะดีดังนั้นพยายามแก้ที่อาหารเนี่ยเขาไม่ค่อยเยอะพวกเนื้อ น, นมไข่อะไรที่มันเป็นต่อเนะยหิวหิวหน่อยก็อดทนเนาะ อย่างน้อยไม่ได้สติก็ได้หุ่นดีก็กลับไปสั่งมันคนหุ่นดีงั้นก็ได้ไม่ได้สติก็ได้หุ่นกลับไปรถลสองสามกิโลกลับไปสองวันเพิ่มขึ้นไปห้าโลแค่ ม, มันเดินจมกรมอย่างนี้จิตมันหิวมันหิวมะมมึงออกไปนี่เรอมึงเสร็จกูหมดล้วอยู่ในปรเจ็กกูหมดชิดชิดชิดชิ ด, ชดนะ อันนี้กูก็จะกินอันนี้กูก็จะเอาเนี่ยคือจริงๆผ้าเนี่ยอยู่เงี้ยมันไม่มีโอกาสนะคิดแต่ไม่มีโอกาสจะได้ไปสั่งกินโอ้อยากกินไอติมันมันเย็นๆสักแก้วหนึ่งเดี๋ยวมก็ไม่ได้กินนะโยอมออกไปเนี่ยถือว่ากี่วันเนี่ยแมงเซเว่นตรงไหนกูกินแวะกว่อนเลยหล่ะนี่เราพยายามให้มันทันความคิดรอความคิดพาไ้มันปรุงแต่งวันนี้แล้วเดินอตอนกินข้าวอิ่มก็ไปเรื่องกามเรื่องกินไปพอข้ามมาหิวก็เรื่อ ง, เ ร, องเรื่องกินใช่ไหม ได้กินน้ำโคกเย็นเช่นนั่นผมว่าเป็นมากที่สุดแต่เรื่องกินนะแต่นั้นเวลาเดินเนี่ยความคิดปุงแต่งมันจะเยอะคิดแต่ว่าหลวงพ่อเสียนว่าไงยิ่งคิดไม่ได้ห้ามความคิดยิ่งคิดยิ่งรู้แต่ว่าเรามันเข้าไปในความคิดหมุดนั่นแหละมันจะเมาเข้าไปในความคิดไงเวลาเดินวนวนวนความคิดเพราะนั้นเวลาเราเดิน่ะเดินไปหยุดก่อน แต่ยังเขาตั้งสติก่อนเอารู้สึกตัวนะบอกมันกระทบความคิดเราเดินยังไม่สามสองเก้านะความคิดมันเร็วมากเราไม่เห็นหรอกเวลาเราเดินไปพยายามกระตุกตัวเองเอารู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวนะอถึงที่แห่งมึงรู้สึกตัวหรือเปล่าเราเล่นกับมันอย่างเงี้ยอย่าไปเครียดมันเลยรู้สึกตัวไหมเชื่อเราก็บอกเชื่อเราไปด้วยให้มึงรู้สึกตัวไหมตอนั้นกลับไปเราก็ยืนยืนตั้งท่าคือทํำเล่นๆไปจะไปทําให้มันเข้าใจอะไรมันมัน มันไม่ใช่เรื่องที่จะทำํำง่ายๆยิ่งคนยุคทุกวนันนะี้หนึ่งจิตมันมันสับสนวุ่นวายคือจิตเราเนี่ยมันซับซ้อนไงไม่เหมือนคนแต่ก่อนแต่ก่อนเขาอยู่กับธรรมชาติเขาไม่มีอะไรที่จะมาแบบย้อมใจรูปเสียงกลิ่นรสเขากับธรรมาชาตทิทุกวันทุกวันเนี่ยอกตั้งแต่พ่อแต่แม่เขาไม่ใส่ตั้งแต่ในท้องออกมาแล้วก็เด็กทุกวันเนี่ยอะไรกี่อะไรไม่รู้อะไรมันไม่รู้สึกตัวมอยู่กับตัวเองดังนั้น กว่าเรากว่าคือมันอยู่กับความหลงเยอะโยมทุกวันนี้คนมันจะอยู่ก้มล้มก้มมืดแล้วคนที่จะหาคนที่ว่าคนคนที่ว่ามีคนจริงอ่ะที่หลวงพอเนี่ยคนจริงทําจริงต้องรู้ของจริงทุกคนมีความจริงหมดอยู่กับเราตัวรู้สึกมีจริงไหมเนี่ยมีทุกคนแต่ว่าใครจะทํำให้มันรู้สึกตัวให้มันเกิดให้มันเป็นให้มันมีตัวรู้ตัวเนี้ยมันยากที่จะมันเป็นทําให้มันเป็นมันเป็นมันเป็นยังไง มันเป็นคือเราไม่ต้องกําหนดเราต้องไม่ใส่คือมันจะเป็นของเขาเองแต่นั้นเราต้องอาศัยการตอกยำ้ำนสะิเนี้ยตอกย้ำกายกายเคลื่อนไปทำไมยกมือตอกด้ำในรูปแบบพวกที่สอนดูกายกดูจิตที่อาจารย์ปรโมโอท่านสอนสมาดูคือคนเนี้ยคือมันฝึกมาหลายหลายรูปแบบเยอะเหมือนกันนะแต่มันยังไม่ได้คําตอบหนอพูดตัอะไรแต่นี้ขอสอนเรงจิตไว้ไปเ ร, เราเนี้ยคนอาวาพูด์ก็รู้แก้งแต่เนี้ ก็ก็มีเพราะว่าพวกนี้คือเพาะตัวรู้ไว้เยอะแล้วไงหนึ่งเขาก็มีศรัทธาเขาไเพาะตัวรู้เขาไปฟังพอฟังมาพอฟังมาตรงนี้เออมันเริ่มมันเริ่มถ้าเริ่มมีสติรู้สึกตัวรู้สึกกายเป็นกลับมาดูจิตตรนี้มันจะดูง่ายไงจิตมีราคะจิตมีโทสะให้รู้มันที่จริงการเกิดการเกิดทางกายกับเกิดทางจิตจิตนี่มันจะเกิดบ่อยทางกายเราเรานั่งนันนะเรค่อยปวดใช่ไหมเวทานาเราค่อยขึ้น แต่ว่าจิตนี่เรามันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาป๊ป๊อปป๊อปปแต่เราไม่เห็นมันไงคือที่ที่เราสวดนะจิตมีลาค่ะก็รู้ว่าจิตมีลาคา่ะจิตมีโทสะ ก, ก็มีโมหะจิตฟุ้งซ่านก็ว่าฟุ้งซ่านใช่ไหมคือว่าคื อ, ค อ, คอต้องฝึกสติก่อนแล้วก็ค่อยไปฝึกดูจิต ด, ดูใจ เ, เห็นมันพอใจไม่พอใจว่าเห็นมันเอจิตไม่พอใจก็รู้มันแต่ส่วนมากเราจะเข้าไปเป็นกับมันหมดมึงว่ากูจังสันจังสิคือที่บองค์เรียนว่าให้รู้ซื่อ มันรู้ซื่อๆไปได้หรอสติเราไม่พอใช่ไหมรู้ซื่อๆรู้แล้วมันจบไงของเรามันกินมันยังปุ้งแต่งกูมพอใจคูไม่พอใจมึงว่ากูพอมันว่างวดนี้งวดหน้านว่าอีกมันยิ่งตอกย้ําให้กูอีบใช่ไหมพอเห็นหน้ามันจะเสืว่ากูอเนี่ยมันว่ากูคือสติมันไม่พอมันรู้ซื่อๆไม่ได้สติมันไม่พอที่จะเป็นตัวที่จะเป็นสลายอารมณ์ดูรู้สึกตัวเนี้ย อนนั้นก็เลยมีเราคนแรกเดี๋ยต้องมาเข้าคอร์สต้องเข้ามาตัวนี้ก่อนหัดฝึกรู้กายรู้ใจรู้กายก่อนเลยก่อนอรู้สึกตัวฝึกตอกย้ําตอกย้ํำทำก่อนแต่คนมีบุญวาสนาบาลามีเคยสะสมมาก็ง่ายแต่ว่าอาตมาว่าทุกวันนี้นี่ยากคนรุ่นทุกวันนี้ยากที่จะเกียวันเนี่ยไม่รู้กูได้อะไรบ่นด้แต่งโม่ มั่งกับคิดไงก็ว่ารู้สึกว่าโลดหลบเบาๆล่องลอกูก็ไม่ล่อง ก, ก, กับเขาเลยเจ็วันลืล่นๆซึ่งยิ่งคุณปฏิบัตินะคุณกเพราะีบกระตุกออกจากภมิ่วงคุณอย่าไปนั่งแช่ถ้ามันม่วงมาคุณรู้จาก ม, มันม่วงมันม่วงมาทางไหนก่อนมาทางตาตาเป็นยังไงมันเบอ่อๆหรอกดึงหนังตาเราลงนะดึงหนังตาลงเราจะไปให้อาหารจะไปไป ไปอย่าไปให้โอกาสกับมันถ้ามันนั่งดึงมานนั่งแต่นั้นเขาอยู่เนี่ยเขาจะมีพี่เลี้ยงคอยดูไงคอยดูคอสักกยินนะอย่าคุยกันนะอ้าวง่วงง่วงแล้วตื่นเตืนเปลี่ยนที่บดดีเนี่ยก็คือถ้าเราให้นั่งทําคนเดียวนะที่คนใหม่ๆหม่ให้นั่งคนละมุมเอาพี่เลี้ยงก็นั่งก็หลับด้วยกันแต่เราก็หลับวันเนี้สมาบุรุษเพราะเมื่อคืนเดินทางมาถึงตีสามพอตีสามมาไม่ได้นอนนก็ไม่หลับถ้ามันถ้ามันมันมันเครียดอะ ร่างกายสมองมันเครียดพอมันเครียดแล้วมันจะนอนไม่ค่อยหอลับก็เลยเราทํตั้งใจเป็นนอนดับให้ดูนั่งหลับอันนั้นเรีนะ่องคือเราเราต้องแก้เราก็นั่งนั่ง อ, อ, อย่างคือหลวงพ่อจิ๋นก็เอเอาอะไร อ, อ, อริยบทที่มันเอาเวทนาข่มเข้ามัหน่อยอย่าว่าตัวตัวนั่งสบายๆมันเอื้อต่อการหลับสมาธิกว่านั่งดูเวขนาดเนี่ยสมาประเภทคุ้มว่วงเนี่ยมันนั่งนี้มันไม่ได้นั่งนี่างนะี้ ออมืทำแต่ลุกแล้วก็ตื่นขึ้นมาแต่ยืนเข่าขึ้นคุณโยมเยอะแยเนี่ยตอนนันก็ไม่ได้อายนะมันง่วงมันจะอายก็มันไม่ไม่อายเราง่วงมันไม่อายมันไม่ไม่อายโยมแต่มันนั่งไม่สุภาพไม่เรียบร้อยกับช่างมันอะไรประมาณนเราก็พยายามหาหาอุบายมันง่วงมากนะง่วงกันน้ําถังน้ําไปตั้งไว้นะครั้งคู่เรียงนะวอ้โุ่มลงไแล้ว มันมันกับเราการธรรมะมันดูเราคือมันสติเรามันน้อยมันออกมันมีแต่ความคิดไม่คิดมันก็ง่วงพอมันไม่คิดมันก็ง่วงพอมันง่วงมันก็ไม่คิดมันก็อยู่เนี่ยแต่ให้มันรู้สึกตัวมันหายหายยากธรรมาก็ว่ายากนอกจากคนที่เคยฝึกเคยอะไรวิธีการอื่นมาแล้วก็เสแสวงหาแล้วคนที่มาใหม่ๆก็ต้องอาศัยความอดทน สามสีวันคุณต้องทนแต่ทนต้องทนทำหน่อยอ๋อทนเอ๋อเขาทำได้มองไปเขาตอนยังทำได้ยังแก่กว่ากูนี่หว่ากูยังหนุ่มอยู่อยากอายยายอ่ะยายคนนะี้มันเป็นกำลังใจให้กันไงยังยังยังทำได้เด็กๆมัน ย, ยังทำเพี้นไว้คื อ, อเรื่องนี้เราเราไม่เห็นความสำคัญคนคนก็เห็นความสำคัญในเรื่องของ ของธรรมะเรื่องของสติเราจะให้ความสําคัญในทรัพย์ข้างนอกแต่ทรัพย์ข้างในตัวเนี้ยคือเราปฏิบัติไปหนึ่งคือมันมันมีแต่ดีนะมีแต่มีแต่ดีขึ้นใจเราดีทําอะไรมันก็ดีแต่ทำมาค้าขายอะไรมันก็ดีถ้าใจเราดีน่ะใจไม่ดีไปทํามาค้าขายแม้กระทั่งปลูกพริกปลูกมะเขือมันก็ไม่เป็นมาใจมันร้อนเพะั้นตัวตัวเนี้มันจะเป็นที่พึ่งของเราได้ หลวงพ่อเทียนบอกว่าเลยอาตมาสังเกตใะญาติธรรมที่ป่วยที่มรณะทบหรือตายนะเราดูคือคือช่วงสุดท้ายถ้าคนจเจริญสติตัวเนี้ยนะมันจะมีที่พึ่งถ้าไม่มีที่พึ่งเนะี่ยคือเวลาป่วยไข้ามานี่คนเวลานั้นนะ่ะเวลาป่วยจนเสื่อเละนะมันปวดอะไรมาชายาะอะไรก็ดีนะพราะมันเป็นมะมันหนักยาไหนดีไม่มีอะไรดีทักอย่างอราต้องเกตบวงพ่ออาตมาที่เสนะียยาเขาจะนวนวดแล้วมันหายมันดีนะ สุดท้ายไม่มีอะไรดีปวดมามากๆแค่ก็แค่ไ ด, ได้ได้คนปว่วยแหะถ้าปวดมากได้จับได้รูปได้คำให้เขาจะสบายลูกมีเต้าจับให้เอาเป็นยังไงนะก็เห็นสภาพมันปวดแล้วมันไม่มีที่พึ่งถ้าไม่มีที่พึ่งเน่ยจิตมันจิตมันไม่มีท้องะช่วงสุดท้ายหลวงพ่อเทมบอกว่าจิตมันจะรวมไงพอพอมันทุกมุามากๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรารักกายเราใช่ไหมรักกายโอ้เสนอก็เสนอกพอมามันทุกข์มากๆเนี่ย จิตมันไม่ออกจิตมันจะทิ้งแล้วทิ้งกายแล้วปรมานมันทิ้งไว้ไงผูอยากตายเเห็นไหมมันปวดมันเวทนามันน่กอยู่มันก็ทุกข์มันก็ตายอยากตอนนั้มันก็เลยทิ้งกายจิตมันก็เลยทิ้งกายแล้วมันเกิดตอนนี้ถ้าทิ้งกายไปแล้วจิตมันต้องมีตัวพึ่งตัวพึ่งก็คือตัวสติตัวนี้ตัวสติตัวนี้เขาจะจะเข้าไปช่วยตรงพ่อเทียนหลวงพ่อพุทธทาสบว่ายังไงตกกระไดคอยจวนคือเวลานั้นมันจิตพร้อมแล้วมีสติตัวนี้มันจะเข้าไปช่วยตัวที่ ที่ยากทําทำเขาก็ฝึกทำพวกเรานี่แหละถึงเวลานั่นแหะเวลาตายเนี่ยคือมันมันจะตูกขึ้นมาเอารู้สึกตัวนะตั้งสติไว้ดีๆนะถ้าเราไม่ได้ฝึกพวกนี้จะไปให้มันไม่มีขึ้นถ้ามันไม่มีขึ้นโยมโยมไปพูดมันก็ไม่เข้าใจอย่างที่เขามีเรื่องใช่มยายยายยาเนี่ยชอบไปไปไปเลยหาหอยใช่ไหมสามบ้ารบัตรนอตเขาเรียว่าไปหาหอยหอยจุกหอยอะไรหอยขมหอยนาอะไรน ะ, นะ่นัมันอตเขาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวกขาไปหาหอย หอยหาปลาตามเลี้ยบวัวอะไรไปพอป่วยมาก็เขาบอกว่าให้ว่าอะรหั่งอะไรหั ง, หงคือจิตมันไม่ได้เคยว่าอะไรหังเขาเคยไปหาแต่หอยเหมื อ, อีอะรห้อยอะไรห้อยเนี้ยเนี้ยจิตมันไม่มีที่พึ่งจิตมันมันไม่เคยไปมันก็ไปตามที่มันเคยไปตอนนั้นตัวเนี้ยเรารู้สึกตัวนะอย่างน้อยเรามีเนี่ยคนก่อนตายหรืออะไรเนี้ยพอคนก่อนตายเนี่ย ยาก็สวดดังเราสวดมนเนียโยโซปะกวาลังส ม, มาพระผู้มีเพราะว่าเราได้ยินบ้างเนี่ยจิตตัวนี้มันก็จะมันจะคุ้นกับคําที่เราสวดและจิตมันจะชื่นขึ้นมาพระผู้มีพระพากยา์เจ้าเป็นพระอรหันต์ดาบเพลิงกิเลสพอได้ยินแค่เนี่ยพอมีคนเราก็เบื้องสติครับมีสติตอนนี้คือจิตมันจะมีตัวเพึ่งตัวนี้ เพราะพระที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ไร้นาสมบัติพระสถานต่างๆพึ่งได้ภายนอกแต่ภางนอกก็อาศัยภายนอกสู่เข้าสู่ภายในดังนั้นคนคนไม่มีบุญว่าศาสนามันคงเลยยากคนที่มีบุญทําไมคนได้มีบุญก็ต้องต้องมีทุนต้องมีทรัพย์ต้องมีอะไรถึงจะได้มาปฏิบัติต้องมีเวลาต้องมีอะไรถึงจะได้มาอันนั้นเวลาเรามาเนี่ยคืออยากอยากให้ให้เราอดทนหน่อย อยาให้เราตั้งใจสู้กับอารมณ์สู้กับความมุ่งมันไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าจะได้ความรู้สึกดีๆหรือความเข้าใจดีๆในระยะสามวันสี่วันหรือเจ็ดวันที่แล้วที่ไม่หลวงพ่อที่ท่านพูดไ่านมาไม่เต็มคอร์สก็ไม่ยอมหรอกมันก็คือแบบมันมั น, ม, นมันมาแล้วมันเหมือนกับไม่ได้อะไรเสียเวลาเฉยๆถ้ามาก็คือตั้งใจให้มาให้มันหาเวลาปีหนึ่งเอาปีละครั้งไปเจ้มาเข้าคอร์สหนี่ย ข้อค้นหนึ่งก็คือเชียร์เรื่องงานต่า ง, างๆให้มันจบมาก็ไม่ต้องไปห่วงอะไรไปแล้วก็ทิ้งไปแล้วมาแล้วก็มาตั้งใจทำสักเกีดวันแตบบ่ว่าคนเคยๆ ค, คนไม่เค ย, คเคยก็คนเคยก็มาชาัดแบบมาได้ฟังมาอะไรแต่ในวิธีการของโรงพ่อเทียนเนี่ยมันมันใช่เราเราจะทำะเฉพาะเวลาข้ามาสวดมนต์ค่อยมานั่งสมาธิ คุณเคลื่อนไหวขยับรู้อะไรเคลื่อนรู้ขยับรู้นะ่ะคุณพยายามหาตัวรู้ก็แล้วกันนะแต่ส่วมากเนาะมันไม่ค่อยถทำไม่ค่อยเคยทำหรอกมันหลงไงมันไม่ได้รักมันไม่ได้ติดมันยังไม่เปลี่นพอไม่เปลียนออกไปมันก็ดีจนสักระยะหนึ่งพอระยะหนึ่งกัรูปเสียงจิตรู้ว่ามันแรงไปข้างนอกไม่รู้อะไรโอ้สาลภาพคนดูดไปกินโมโดคนดึงคืนหมนะ่น่ะนอกจากคนที่จะเห็นเห็นภยัยคนที่จะ อะไรคนที่เบื่อคนที่เบื่อสังคมเบื่อโลกมันเริ่วุ่นวายอะไรแต่มันรู้สึกว่าจิตมันเบื่อจากโลกของพวกนี้ไร้สารละอย่างดูละครอย่างนี้ทุกวันน้นเรารู้เราก็ไปเล่นกับเขาใช่ไหมเรื่องอะไรทุกวันในช่องเจ็ดเราจะมาได้ดูที่ไหนเนาะแต่ถ้ามาดูก็จะเอ้ยมันมันก็มันดีไว้กว่านะขณะเราปฏิบัติมานี้เราก็ยังมันไปกับมันเลยละครเนี่ยยิ่งละครไทยมันเรื่องอิดชานิษยาเรื่องอะไรในช่องเจ็ด มันอะไรนะั่นดูน้อยๆแล้มานลุกอะไรแต่ผมาม่ได้ดูทีวีแล้วนะเ <c oughs> ขาเปิดให้ดูเขาเปิดอโยมดิดนี่นละอะไรอะไรเอาบางๆม า, าดูตะนี้ดูข่าวดูอะไรก็รดูไปเราก็ไปเล่นกับเขาเมื่อกี้นะโอ้ยเขาโยมโยมแตมมม่มันมันยากนะที่จะออกจากเรื่องรูปเสียงกินรถนควมพอใจในเรื่องละครเราก็เข้าไปเล่นกับเขาแต่เราไม่ดูเฉยๆนะเราเขาไปเล่นกับดูยังไงเราดูแลเร า, เร า, เร า, เราก็ดูกลับมาดูใจ แล้วดูความพอใจไม่พอใจเอนางเอกไอ้มันทําไมงโง่จังวะมึงเราก็ไปกวดกับเขาใช่ไหมไอ้มึงตีนางเอกกูแล้วอย่างเงี้ยคือเราพยายามเราก็ดูได้เราก็ศึกษาได้แต่ว่าเราเราดูอะไรเรากลับมาดูคือเห็นอารมณ์มันอ้าวมันคือพยายามพยายามดูอย่างน้อยเราก็ยังได้ฝึกไงโยมแต่ว่าคุณก็ต้องมาฝึกตัวสติพื้นฐานตัว น, นี้ก่อนตัวสติตัวนี้ก่อ น, น, อ น, น, อนแล้วคุณค่อยไปดูเป็นดูอารมณ์ดูอะไร แล้วนี่กลับไปบ้านคุณต้องไปต่อเนื่องนี่สีเนี่ยมันก็ยากอะตื่นมากลางสักว่ตื่นทํางานมันก็ดึกดแค่แม่หนึ่งงานก็ไม่เป็นกะไม่เป็นเวลาอะไรก็โอ้มันสารพัดอย่างในนี้ถมาว่าเรากลับมาตอนเย็นหรือมีปกติเราก็มาสวดมนต์ไว้พระเดินจงคมในรูปแบบบ้งยี่สบสามสิบนาทีสร้างจังหวะมันก็ไม่เอาอ่ะ ท, ที่ใจมันยังไม่รักอะมันมันหาคนที่จะไปทําต่อเนี่ยที่จะไปทําต่อ ที่กลับไปบ้านแล้วไปทํำไปกลับไปแล้วเสร็จงานหรืออะไรภาระมันเยอะจริงคนมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้ามีหลานเล้ยวเลยวิ่งตามหลานไม่มีเวลาอะไรมันคนยิ่งมีครอบมีครัวยิ่งยากก่อนที่เราพวกคุณจะได้มาเนี่ยไม่ใช่แม่งธรรมดานี่พวกที่ได้มาเกือวันที่จะลางานมาเนี่ยคุณว่าคุณจะได้มาง่ายจริง คนที่จะได้มาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ธรรมดาที่โยมได้มาเนี่ยฉะนั้นมาเราก็คือตั้งใจหาตัวรู้รู้สึกมันรู้มันเพ่งมันจ้องอะไรก็ให้มันจ้องไปเถอะจังมันไอ้กูเพ่งกูจ้องขอให้มันรู้สึกสิบสจังหวะอ่ามันต้องไปให้มันรู้มันทั้งสิบสี่เราเป็นเผือมันก็รู้มันเดินทําได้บงทําไปไปเพ่งมันจ้องมันเดินวงกลมเอ่าทํำซื้อ่า เป็นบุญนะหรือว่าไม่ต้องไปอะไรมากเอ้กูเป็นบุญกูแล้วกูจะดูได้มาอยู่ได้มาทําเนี่ยโอกาสเนี่ยได้มารู้เราเนีเราก็ไม่ทิ้งเราก็เรียนศึกษาตามเนี่ยทำอะไรมันเยอะๆเราก็เข้าดูศึกษาตามสายครูบาอาจารย์ฟังไม่ใช่กลับไปไม่ค่อยเลยขึ้นธรรมะไม่ค่อยเข้าอ่ะเข้าขึ้นอะไรไม่รู้คือจิตมันยังไม่เป็นยังไ ม, ยงไม่ยังไม่มีศรัทธานะมั น, น้า ดังนั้นเราจะทำยังไงที่ตัวศรัทธาจะทําให้มันเกิดทำให้มีศรัท ธ, ธาที่จะแก็บเรื่องพวกนี้จะมากกินเราก็จะไหลไปเรื่องของโรคลกเรื่องของรูปเสียงกินลดดังนั้น ก, ก็ต้อ ง, ต, องต้องใช้ความอดทนทําในเียดวันีคนที่มาใหม่ๆคนคนนี้ก็เยอะนะก็เยอะเขาเขาจ้างมาเรื่องไงโรงเรียนปิดเรื่องไงที่หนุเด็กๆน่ะโรงเรียนหยุดเด้ยเรื่องไงเน่ยที่ที่อายุน้อยๆเห็นไหม น้อยๆเป็นเนี่ยเป็ไงได้มาไม่ใช่ไม่ใช่คนตัวนี้ตัวผู้หญิงคนนี้นที่กำลังเป็นสาวเลยนะเออเขาชวนมาอ๋อสถาบันอะไรอ๋อไดอ้มากเลเนี่ยขีิล่าออกมั้งคิดทุกปันเนี่ยเอขอาวังคับมากนี่อ่ะีล่าออกซะอน่จิ นี่เราไม่มีพื้นฐานเนี่ยที่จริงเนี่ยหลักสูตรเนี้ยหลักสูตรเจริญสติเนี่ยมันน่าจะไปสอนตั้งแต่อนุบาลเด็กเล็กเล็กสอนนะคือมันไม่ทําอะไรมันไม่ต่อเนื่องไงงไทยครูก็ไม่รู้เรื่องเราพูดอย่างนี้บั้นอว่างอะก็จรูก็หาจินพอดแล้วปากแล้วท่ อ, องนะไม่ได้ทำเพื่อ น, นาที่จริงๆรงนะคนเวลานักเรียนมาอบรมตัวเนี่ยก็ทิ้งให้พระครูก็นอนรีสอร์ททางไหนรู้ เล่นไผ่เล่นแล้วมันจะพัฒนาเลยได้ทำไมไม่เอาอบรมเด็กทําไมไม่เอาไปทําให้มันทํำไมครูมันก็ยังไม่เราครูมันก็ยังไม่คือมันต้องร่วมกันไงครูเอาไงครับเนี่ยโรงเรียนเราจะคือเอียไปพูดได้พูดไปแล้วมันเสียอารมณ์ว้จะมาดูคือครูครูครูมันไม่มีคุณภาพกครูอย่งโรงเรียนทว่าก็ไม่ว่าไม่ไมไม่ควรจะบ้าเขาหรอก ก็สมาคมก็ไม่ใช่ว่าดีนะเราก็ถ้าเราไม่ทำตัวนี้มันก็คูกับเหมือนกับเขาแหละถ้าถ้าครูเนี่ยถ้ามัน ไ, ไม่รู้เรื่องใจเรื่องตัวเองนักปฏิบัติว่าใครยากขาหายยากยิ่งครูทุกวันนี้การที่จะเป็นครูที่เสียสละยากทุกวันนี้ไปอยียนได้ดีเรียนกับครูนะเรียนที่เสียครูมาสอนนะักเรียน เป็นอะไรพิเศษเ ล, เ, เลยเป็นสังคมที่ล้มเหลิวเมืองไทยอาตมาว่าต่อไปคนไทยกับคนขมเมียนจะเป็นพี่น้องกันอลาวก็จะดีนะลาวนะแต่ไทยกับขัมเมีนจะเป็นพี่น้องกันเใช่ไหมไทยกับขัมเมียนเป็นพี่น้องกันลาวเขาก็ขยับหน้าไปกว่าเวียดนานมนก็าเก่งนะเวียดนานมคนจีนคนเวียดนานมนพวกนี้นโอ้ยคนเวียดนานมน่ อดทนขยันกว่าคนจีนนะแล้วก็งบ ก, กว่าคนจีนอตามาดูคนเวียดนามนะเขาจะนี่บ้านเขากําลังพัฒนาเฉยแต่ก่อนเขาเป็นมิตรรบกันของเราเนี่ของเรามันมั น, ม, นมันดูแล้วามาดูแลว้วมันมันล้มเหลวหมดแล้วระบบเมืองไทยเราเรามันติดสบายมามันกาสมัยยุทธยายในโยมพออยู่ดีกินสุกอะ่ะเริ่ม มันเขามาฆ่าเอานีา่ยแหละเราจะโดนเขาฆ่ามัคฆ่าแบบนั้นเลยาทางอ้อมเลนาทางด้านเศรษฐกิจบ้างเขาจะพยายามยึดจองเอาะไรไปเรื่อย ๆ, ๆอีกหน่อยก็เข า, ขาจะศาสนาศาสนาพุทธเฉยๆพุทธในสำนเนาก็จะไม่มีแล้วตัวเนี้ยฟังฟังไว้ดูมันเอ้ยอันตรายมคนไทยเราคนไทยเราแล้มันมันลืมมันลืมชาติ มันสบายไงเด็กว่าสบายมันคือคนไทยเรามันมันสบายเกินธรรมชาติมันเลี้ยงทํางานทำงานกูพอใจกูลาออับแม่งอยู่บ้านกูพ่อแม่กูก็เลี้ยงมาอยู่รับแม่ลูกเอ้ไปต้องไปทํางาน ค, คือคือมันเป็นโอ้กุ้มกันเกินไปไงจบมาแล้วอะไรมาเอาลูกเอาหลานมาเรียนมาจบก็เอาจบมสามทุกวันนี้มสามมสองขึ้นมันมีลูกมีผัวแล้ว มันเป็นลักษณะนี่คือยังไงขาดศินขาดทำขาดคุณธรรมเอาดีๆแล้วลุงอระลุนบอกเจ้าเป็นคู่เล้ครูคุณครูเป็นยังเป็นครู่บอกฮะอ๋อที่ไหนอ๋ <มา S 1> อเขาเขามานํ า, าร่องเลอ๋ออาจามาว่าผู้อำนวยการผู้จัดการผู้อำนวยการที่เขาเรียกเนาะอาจารมาว่าไม่ต้องไปสอบหรอกนั่นอ่ะ ให้มาสอบอยู่ที่สักเดกอนหนึ่งคุณผ่านนี่ได้คุณธรรมผู้อำนวยการใช่ไหมกูนี่อ๋ผู้อำนวยการคุณอยากเป็นผู้อำนวยการนะมาอยู่นี่สามเดือนมาสอบเลยนี่มันจะได้คุณภาพพอได้คุณภาพก็จะจัดการเองลูกน้องอย่างแล้วเด็กเนี่ยมันมันจะได้ต่อยอดกันไงอาจารย์กนุบาลป้อนหนึ่งนะเอารู้สึกตัววันเสาร์วันอาทิตย์ก่อนเรียนหนังสือทำที่ พรทางบ้านเราตรงนั้นนี่ครอบครัวมันก็ล้มเดี๋ยวแล้วมาโรงเรียนก็ล้มเดียวอีกครูม า, าเลแต่มึงบางทีก็เปิดนนักเรียนรายการอะไรรายการอ่ะไรของนายหลวงนะ<ป>อะบางการรายการอะไรนั่นแหละครับทําไปครูก็ทำแค่ทำแต่ขั้น C สง่งเอาเงินเดือนมึงไปไปมาดูก็จะเบื่อไปเอาเด็กมาอบรมมช่างนมัน ก็เลยมาบัทไม่เอาสองมันสามคืนไม่รู้จะได้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันทําต่อเนื่อมันได้อยู่แต่นี่ถ้าออกจากวัดก็ทิ้งไปเต็มเนี่ยก็แลี้ยวมาเอาเนี่ยมันมันมันไม่ต่อเนืคือระบบระบบหัวหัวแถวมันไม่เอาเพราะหัวแถวแม่เคนรุ่นใหม่จะมีความการไปก็อยู่ไม่ได้ก็ทําไม่ได้มึงจะมาเก่งก็กลุ่สตไปแล้วโดนโดนพวกเนี้บล็อกไว้พวกรุ่นเก่าๆนะ่ะพวกพวกจะเสียงกับเสียแหล่มาก็เสียแหล่นรอจินเงินเนี่ยไอ เขาคนมีอุดมการก็มีแต่พอเราเข้าไปมันทําไม่ได้ญาติพี่น้องก็ตามก็เป็นกูเป็นอะไรก็มีอาตมาเห็นแล้วอาตมาก็มันเบื่อเบื่อรู้สึกเบื่อหน่ายบางทีคนมันอิจฉาริษยากันนะโยมมันมาเฮ้ยมันน่าเบื่อหน่ายมันมันแบบว่าคนเราเนี่ยมันมันชอบอิจฉากันนี่คนไทยยิ่งๆคนไทยนะพี่น้องกันอะไรกันนั้เพราะมันขาดอะไรขาดธรรมะตัวนี้แหละ ต, ตัวรู้สึกตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาอยู่นี่เจ็ดวันก็ เอาให้มันมีไล่อ้จีเหรียดที่อยู่ในเราเนี่ยมันมันไม่อยากมาก็ไอ้จีเหรียดเราไม่มาอยู่เว่ยเขาให้มาเนี่ยรอดไม่รอดแล้วออกไม่ออกทีนี้มาได้กี่วันแล้วเนี่ยสามวันแล้วรู้สึกจะดีดีขึ้นเนี่ยเราละพู้นี้กัดีขึ้นแล้วอาตจามาว่าโครงการเนี่ยเขาก็อยากเขาอยากทําโครงการแต่ว่ายากอยู่หรอกคนที่จะมาทําเรื่องนี้ ผู้อหนวยกันมันบอกไงเอาผู้ใหญ่ไม่เอาแเราคนเล็กมันจะเอาทีิงนี่บางทีคนเป็นครูทักวันนี้ก็ไม่อยากเป็นแล้วมันลาออกขี้เกียจพูดกับนักเรียนเพราะว่าว่าไป็นคือมันรื่องที่คนเขามีความจริงจังที่จะทําต่ที่ทําทําไปมันมันมันมันไม่ได้เหมือนแบบแต่มันทําไปแล้วทําไปทําไมแล้วมันมันทํำไปเสียความรู้สึกไงออกไปทํางานอย่างอื่นไปคนที่มีอุดมการไอคนที่ไม่มีอุดมการก็ช่างแม่งคนได้กินเงินเดือนก็ว่า แล้วแล้วไปจะเป็นยังไงก็ช่างมึงก็เห็น ไ, ไหมคืรรอเราใส่แบบนี้เพราะอะได้เพราะมันขาดคุณธรรมขาดสติสติมีไหมมีสติมันมันน้อยสติมันไม่มีการพัฒนาไงหมาแมวมันมีไหมหมาหมามันไล่ยแมวกลางคืนนะอาต่หมาวิ่งหนีแต่ต้นไม้ไม่เห็นมันชนไม่เห็นมันชนต้นไม้นะ ไล่เพอเพ้อเ อ, อมันก็วิ่งไปผงไม่ได้ไม่มีไฟสองด้วะอันมีสติอย่างนี้มันก็มีรอดทนไปได้คนเรามีสติแต่ว่ามันมีน้อยแต่นั่นก็เลยมาทํามหาสติให้มีสติในกายยืนเดินนั่งนอนในเวทนาหเห็นเวทนาเห็นไหมมันพอใจแต่ละวันมันปรุงแต่งโอ้ยงนนั้นเงี้ยไปความพอใจความไม่พอใจจิตงั้น เ, เห็นตัวเนี้ย ที่ศึกษาทำรมก็ศึกษาตัวเราศึกษาอะไรดิแต่ว่ากิเลสเรามันเยอะไม่ใช่อะไรหรอกเขาให้มาเนี่ยทั้งวดหน้ามาอยู่อย่างนี้แต่วันแต่เนี่ยวันสามวันสีวันเนี่ยมันกําลังมันกําลังอึดอัดกำลังตุกวันที่สี่ที่ห้าคุณก็จะดีขึ้นเนี่ยวันนี้แหละคุณวันพรุ่งนี้คุณก็จะเริ่มเริ่มเบารู้สึกเบาขึ้นค้งม่วงก็จะน้อยลงวันนี้ม่วงเยอะไหมที่มาใหม่อืมเยอะ พยายามหนึ่งพยายามอย่าอย่าห่างๆกันอย่าไปคุยกันพอทําไปอีกหน่อยมันเบื่อมันก็จะหาเรื่องคุยกันมองตามันก็รู้ใจเรืไว้บางทีบ้ามาใคยฝึกแต่บางที่มองตามันไม่เหอะไรก็เดินเข้าห้องน้ามันเบื่อพอไปห้องน้าไปนั่งหลับตั้งหน่อยไปเปิดน้ำไปเจาะเจาาหลับตั้หน่อยคือดูจิตเรามันจะหาแต่ทางหลีดแทนที่มันจะหลบมันจะหลบแทนที่เราจะสู้มัน แต่ที่เราจะสู้มันเราไม่ทันจิตอ่ะจิตมันชวนไปเราไปไหนมันก็ไปแล้วมันก็ชวนไปตัวนั่นเดี๋ยวมันก็ชวนไปเอาน้ำเดี๋ยวมันก็ชวนไปนั่นเพราะมันไปไหนวะมึงอย่ามาชวนกูวะกูมึงอย่ามาชวนกูเมันชวนไปไหนกูรู้สึกไอ้ชวนไหนรู้สึกไว้คือเรื่นี้จิตสั่งเราเราไปตลอดเราไม่ได้สั่งมันสักทีเฮ้ยมึงอย่ามาสั่งกูกูจะรู้สึกด้วยรู้สึกตัวเดี๋ยวมันมาชวนไปอีกละ คือเราไม่ทันสติเราไม่ทันมันแต่ทางออกทาพอไปแล้ววันวันนี้เลย ว, วันที่สามเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยได้จักม่วงเดือนะ น, น้องร่ากามันก็ไม่เดินนะห้านาทีเนี่มันทรมานเวลาตอนช้าตื่นกันมา อ, อีกมีแต่ทุกเห็นมันทุกไหมมันไม่ได้ดังใจมันทุก อิทธาตถาคตุพระตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสมาเป็นผู้ไกลจากที่เวตาสรู้ลายใจพันทัตัดไว้ว่าเป็นทุกข์มีแต่ทุกขที่เราสวดตอนเช้าการไม่เกิดการแก่เกินเกิดการแก่ก็เป็นทุกขการตายก็เป็นทุกการปัทนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็ความขับแช้นใจคนไม่พอใจ ประสบกับสิ่งไม่พอใจมีแต่ทุกข์ครั้งนั้นแต่เราก็ไม่เห็นทุกข์เราก็มีแต่สุขบอกสุขที่จริงมันมีแต่ทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์ไงมาอยู่นี่มันทุกข์เราเราก็ยังกไมันยาออกจากทุกข์เราก็อยากเข้าไปอยู่กับทุกข์อ่ะการจเจริญสติตัวนี้แหละที่จะพาเราให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตขึ้นและชีวิตเราจะมีคุณภาพมีคุณค่า ถ้าเรามีคุณภาพมีชีวิตมีคุณค่ามีคุณภาพนะต่อไปมีลูกมีเต้าไปเราก็มีวิธีการมีหลักการที่จะนําไอ้เนี่ยสวันี้มันพ่อมันขาดสติขาดธรรมะพ่อแม่ก็ไม่มีไม่ออกลูกออกหลานไว้ให้ตาให้ยายพ่อแม่มาเข้ามาครุงเทพแล้วพวกคุณว่าจะอยู่อย่งไรสิเนี่ยความอบอุ่นอยู่กับลูกกับเต้ามันก็ไม่มีนะความเพื่ออาทรต่อกัน ต่อไปในลูกมันเข้ามาองเทพยแม่มันไปอยู่วงบ้านนอกหรือไปอยู่ไหนมันมันจะได้เลี้ยงดูกันมันได้เลี้ยงบควอมกตันดูอะไรก็จะไม่มีครับนอกจากคนไหนมีสมบัติเยอะมันจะมาหาอยู่เอมีนามีเงินหลายมันก็จะมาหาอีแม่อยู่นะถ้าคนไหนไม่มีก็จะบ่อยแหละทุกวันเนี้ยเพราะว่ายังดึงแต่ก่อนเนี่ยพวกกฐามาเพราะลูกสี่ห้าคนกินข้าวด้วยกันดูด้วยกัน เป็นอะไรพ่อแม่ก็ดูแลรักษาให้ความอบตอนนี้ความอบอุ่นมัน ม, ม, มันขาดสถาบันความอบอุ่นพวกนี้มันขาดไงความกัดตันอูความอะไรต่อก็อาจตอนต่อกันมันไม่มีเด็กมันก็เลยอนั้นนะมก็ไม่ได้กินนมแม่นะไรนมแม่ก็ไม่กล้าให้ลูกกินวอมอะไรวอมจะเสียทรงอให้โยมวอมจะเสียก็เลยไม่กล้าให้ลูกกิน ให้กินนมวัวนมหมีนมหมาไปดูออกมาก็เป็นอะไรส่วนนี้แล้วความอบอุ่นมันก็ไม่มีเพราะว่านมนมนมวัว เ, เซลอะไรก็มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ใช่เป็นของคนระบบมันมันต่างต่างกันแล้วความอบอุ่นอะไรมันก็มันก็เป็นส่วนไปได้หมดมนั่นแหละลูกสามคนส่งมาให้แม่เลี้ยงดีไม่ดีข อ, เ, อเงินทางบ้านไปอีกนะ สารพัดสารพีนี่สังคมบ้านน อ, อกมันไปอยู่บ้านบ้านนอกนอกนะโอไปเห็นมันออกมาได้ไงว่าทั้สงสามคนมันไล่กันเลยนะเด็ ก, ดกอ่ะมันออกมาได้ยไงทั้สงสามคนมันทําไมไม่แล้ววันนี้เขาขเทพยอย่างเงี้ยเด็กก็ให้แม่เลี้ยคนแก่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็รักใช่ไหมจัดีอะไรก็ไม่ได้เด็กทุกวันนี้มันคือสื่อ ม, มันเรียนรู้จากสื่อต่างๆ่างเก่ง แล้ว ก, ก็ไม่มีหลักการนั้นเรากม็มีปัญหามันจะเพิ่มขึดด้นเรื้อยสังคมแล้อพ่อแม่ไม่รู้หรอกคนบ้านนอกก็แม้กระทั่งสวดตอนมุน่ะตอนเช่นวันพระอย่างเงี้ยเจอพรพุทธคุณสรร ม, มคุณยังสวดไม่เป็นเลยโยมเอ้ยนโมนโมอ่นนโมสามจบนโมนโมนโมแล้ว่านโมจะว่าอะไรเลยจะครูจบปริญญาจริง ไปถวายสังฆทานอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องมันมันไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ปลูกฝังกันพุทธศาสนาหรอกดีไมด่ดีแต่คนไม่ได้ศึกษาเฉยๆพุทธศาสนาศาสนาพุทธก็คือตัวคนนี่แหละหลวงพ่อเทียนว่าศาสนาก็คือตัวคนศาสนาก็ไม่ใช่อะไรศาสนานก็คือตัวคนนี่เองหลวงพ่อเทียนี่พูดได้ชัดเจนมากเลยความเป็นคนคนคนคนี่คือตัวศาสนา ดันั้นว่าตัวเองเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ได้บ่บ่ไอ้บ่มนุษย์เป็นได้หลวงพ่อพุทธานว่าไงเอาใครว่าได้เป็นหนัวว่าได้ไหมง่วงนอนหรือยังครับโอ้โกเย็น่ะทําไมาไม่ยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยจีนเร็พวพรุ่งนี้จะให้กินหมูทอดตอนเย็นได้เปียกเลยเราเรายายตรงนั้นะไม่ได้กินจะกินแต่น้ำํำเราได้กินไข่ดาวยอย่างเงี้ยไอ้พรุ่งนี้จะให้หมูทอดจากชิ้นหนึ่ง สั่งไม่ควรให้ตั้งใจปฏิบัตินะเนี่ยเราอยากเป็นอะไรตั้งใจปฏิบัตินะตัวเนี้ยคุณอยากเป็นนายร้อยอยากเป็นหมอเป็นหมานะทำตัวนี้ตัวนี้มันจะมีสติสมาธิเรียนหนังสือมันก็จำดีมีความมันมันมันจะบูรณาการไปเองถ้าเด็กเขาได้ทำนะให้เขามาทำนีเ่เขาจะรู้ไม่ต้องไปบอกเขาหรอก ไม่ต้องไปนั้นไม่ต้องไปจู้จี้กับเขาเขาแบบคือเขาจะเข้าใจชีวิตเขาเองถ้าให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ให้เขาบางที่มีเงินเหอเอาบิดเพอมไปจ้างเรือ่อเอาพาไปจอดเจ็ดวันเนาะคือเราจะหาอุบายยังไงจะอยากให้ลูกเรามีหลา น, อย า, น, นอยากให้เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้เราได้เขาเขาได้คุณธรรมตัวนี้ก็เคยให้เกิดขึ้นกับเขา แ, แล้วทุกคนทั้งคนเนี่ย เขาก็เลยพยายามจะเอาให้ลูกให้หลานเขามามางทีก็จ้างมันบ้างก็จ้างมันยมันมาอยู่นี่มันเนี่ยมันอยู่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเด็กเอี่ยก็มาอยู่เนี่ไม่ใช่ธรรมดาคนนะเขานั่งเขาก็เขาไม่ร้องโยเยเนี่ยฝึกเขาอดทนอย่าไปกลัวลูกลําบากแต่มาเห็นพวกญี่ปุ่นหรือฝรั่งเขาฝึกลูกอ่ะเห็นไหมในอะไรก็เปิดให้ดูในเน็ตในไลน์นะเด็กๆตัวเล็กมาแกงแขน ทำท้อแบบให้มันแข็งแรงไงของเราทุกวันนี้กลัวลูกจะลําบากทําอะไรไม่ได้ของเขาฝึกก็ฝึกเมีวิธีฝึกบ้านเราไม่มีไม่มีหลักการไม่มีหลักสูตรอะไรหลักสูตรว่าไม่ต้องแม่ทําเองยายทําเองลูกไม่ต้องหลานไม่ต้องกลัวลูกลําบากฆ่าลูกทั้งเป็นฆ่าลูกแบบนั้นเขาว่านะั่นนะเขาเรียกว่าอะไรนะฆ่าอะไรนะ พ่อแม่กับบมีสติพ่อบ้อมีปัญญาพ่อทนั่มท่ำที่สอนลูกเห็นลูกลําบากเนี่ยก็ทําใจบ่ได้โอ้ยลูกฉันลูกฉันเป็นเลี้ยงไปแบบนั้นแม่ใครทุกข์ก็เรานั่นแหละทุกข์เพราะว่าเราเป็นคนทําลายพ่อแม่ฆ่าฉันอันนี้ฆ่ามันก่อนแล้วเอามาฆ่าตัวนี้เลยฆ่าจิเลวมันก่อนเลยเนี่ยไอ้แม่หนูอยู่ป้อไหนครับเนี่ยอ่าปอสามเขาได้มาแล้วนะเขามีบุญนะเนี่ย ลงมาแล้วเขาแจ้งมาครับจะลงมาดีดีสาธุนะตั้งใจทานะครับนะนี่แหละเป็นการเนี่ยลูกที่ดีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่การที่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดีที่สุดคือการได้มาปฏิบัติธรรมคนไหนได้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เก็ดวันนี่คือสุดยอดการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่มีอะไรที่พ่อแม่จะดีใจเท่าลูกได้มาบวช แล้วได้ปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็เร า, บ, าบ้านเราไปมีการได้บวชไงแล้วลูกได้มาบวชก็จะดีใจแล้วลูกได้มาปฏิบัติธรรมเพราะแม่ก็ชื่นใจจะไม่ได้ห่วงมันนะจุ๊บ้านถ้ามันลูกนะโอ้มันลูกมันจะไปเที่ยวไหนใช่ไหมไม่รูไปเที่ยวไหนนาะมีมอเตอร์ไซค์มันไปแล้วอันนี้อยู่บ้านเล่นเจกมเล่นเจียมไหมเกมอะไรทุกวันนี้เนี่ยโกหกหลวงพ่อบาปเดี อันนั้นหละโยมเนาะก็พูดไปวันนี้ใครมีอะไรที่จะถามพอถามเพื่อจะได้นํ า, าไปพัฒนาการเจริญสติของเราหรือมีอะไรที่จะนั่นพอตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบใช่ไหมมีอะไรก็ถามมาใช่ไหม <c oughs> เคยทําสายหน๋อสายในเรื่องอื่นมาไหย <c oughs> แต่ก่อนไปเคยได้ปฏิบัติเขาควัดไหมที่จริงเขาก็พูดเฉยๆนะวิปัสสนานวิปัสสนาคือ คือรู้รู้เท่าทนะันที่จริงวิปัสนาคือรู้เท่าทันที่จริงมันพูดเฉยๆว่าวิปัสนาวิปัสนาเจริญไปเจริญวิปัสนาแต่แม่ผมไม่ได้เจริญวิปัสนาสว่าจะเจริ ญ, จ เ, จรญจเจริญตัวหลวงวิปัสนาคือรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันปัจจุบันนะั่นแหละพอดีเหมือนกันแหละแต่ว่าคือคือคือไม่ต้องอะไรหรอกเราคําตอบก็อยู่ที่โยมนั่นแหละ ตัวตัวรู้สึกตัวนี้อย่างน้อยถ้าถ้าเราลั ก, การปฏิบัติเวลากลับไปอย่างนี้อย่างนี้อายุคงกเกษียณแล้วใช่ไหมก็ไม่มีอะไรทําเป็นยุ่งยากมีหลานเลี้ยงไหมอ่าก็ เ, เลี้ยงหลานเวลาหลานมันบอกไม่ฟังแล้วก็กลับมาดูใจอืาให้กูโมโหแต่ก่อนแต่ก่อนกูจะด่ามันแต่ตอนนี้พอเห็นสัตว์เชียนมันโกรธมาเอ้ยเอยมันมั น, ม, นมันด่าไปสักสามคำใช่ไหม พอเนี้มันเออมันหลุดไปสามคำมันก็มีสติระลึกได้มาเฮ้ยมันไม่ใช่นะเนี่ยคือคือคือตัวเนี้ยคือมันมันจะดีมันก็ค่อยคือมันกับคาตอบมันนี่ก็อยู่ที่เราคือมันจะเห็นอารมณ์ตัวเองไหมเราทําไปแล้วเราเปลี่ยนแปลงไหมใจเราเย็นขึ้นไหมแต่ก่อนเรามาอยู่อยู่กับพ่อบ้านหรือแยูบใครกันคุณเราเขาพูดอะไรมามึงต้องฟังกูอย่างเดียวมึงห้ามสวนกู รู้กูไหมคือมากคนเรามันจะคือมากนะกินอยากให้คนอื่นฟังแต่เราใช่ไหมไม่สนใจเราไมไ่แล้วเราต้องฟังกูอะแต่แต่ไม่ฟังคนอื่นแต่ยากให้คนอื่นฟังแล้วก็เชื่อฟังคนเราไป็เราเป็นคนสั่งเนี้ยคือเราเราเราอยู่แต่ก่อนมันเคยอารมณ์มันก็จะเย็นขึ้นมันจะเห็นอารมณ์ตัวเองขึ้นเราก็เบรกตัวเองได้ขึ้นออเขาไม่ได้รู้เขาไม่รู้เขาถึงพูดไปใจเราก็คือมันก็จะ ตัวสติตัวเนี้ยคือเรากลับไปเนี่ยเราก็ต้องไปทําต่อไม่ใช่ว่ามาทําแต่ที่วัดปีหนึ่งค่อยมาถึงอ้นไปทานจิตสามร้อยหกสิบห้าวันถ้าคุณนึกมาทําจิตตอนมันเอาไปกินเท่าไหร่ตอะนั้นคุณคุณต้องไปทํากับการกลับงานเนี่ยปาดกวาดใช่ไหมกวาดบ้านรู้สึกตัวไหมถามมันอล้างจานถูผ้าถูบ้านอย่างเงี้ยอถูรู้สึกตัวไหมทํางานกับความรู้สึกตัวเนี้ย คือจะไปทํางานก็ไม่แต่กูทํำไม่มีคนทำเว้ยสกปรกแม่ไม่ใช่อย่กูทําเงี้ยคือเราทําทําไปแทนความรู้สึกตัแล้วก็ดูใจตัวเองมันชี้เกียจทํามันไม่อยากทําดูดูมันเห็นมันไม่อยากทําเห็นมันเบื่ออะไม่อยากทําำก็ทําไปอยู่กับพวกรู้สึกมู้รู้บ้างไม่รู้บ้างฟุ้งซ่านแล้วแล้วก็ทําไปเห็นใจเห็นจิตเห็นใจดูใจไปดูกายดูใจไปเห็นความรู้สึกไปแล้วทําตื่นขึ้นมาก็ก่อนคนตื่นมาตีแรกตีสามตีสี่ตีห้าอะไรก็ช่างคุณ คุณตื่นขึ้นมาแล้วก็กพยายามนั่งทําวามรู้สึกตัวก่อนในจังหวะในในรูปแบบคุก็นั่งไปอาจักสามสิบนาทีประมามสิบนาทีแล้วก็ค่อยๆตื่นไปแล้วเราไปห้องน้ํำน่ะพยายามเราก็พยายามคูเขียนต้องเราจะลงเตียงแล mm ้วเราแรงนั่นงเราก็เอาขาออกไปรู้สึกไปลงไปเหยียบไปห้องน้ําไปเปิดประตูจริงตัววิปัสนาตัวกบิปัสนาจริงๆนะ่ยอย่างเราเปิดขวดน้ําเนี่ยเอาเปิดลงซึ้งๆยอม mm hmm. ปิด ปิดเราเข้าไป็นแน่นๆดูสิอ่าปิดแน่นเราเปิดดูสิมันรู้สึกยังไงที่จริงก็เวลาเราปิดเข้าไปแน่นๆน่ะตัวแน่นๆเนี่ยเรารู้ว่ามันแน่นใช่ไหมพอหลวมปั๊บเราก็รู้ว่ามันหลวมนั่รู้ความตามตามความเป็นจริงนั่นคือนี่นะคือคืออารมณ์ของวิปัสสนาคือเหมือนกับเรารูปอะไรเหมือนกันนลูบใบไม้ใ บ, ใบในี่นใบประมาณน้นใ บ, ใบในี้มา เรารูปด้านนี้ใช่ไหมมันมันจะมีความรู้สึกธรรมชาติของมันมันจะสากมันจะอะไรนี่คือคือคือนี่คือความรูกลุ้รู้ตามความเป็นจริงของมันคือรู้ปัจจุบันรู้ควาจริงมันจะรู้ว่าเนี่ยเมื่เราเปิดขวดเราเราปิดปิดแล้วมันแน่นมันก็รั่วมันแน่นแต่ว่ามันค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆการการเรียนรู้ต่างๆมันก็นี่คือความเป็นจริงที่มันที่มันเป็นอารมณ์ของของยุปัตสนา วิปัสนาไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาที่วิปัสนาก็คือรู้เท่าทันฝึกสติให้มันรู้เท่าทันปัจจุบันอารมณ์เวลาเราเดินกระทบรูกบร้กระทบรู้ที่จริงเดินไม่ต้องไปเดินควยเน้นไม่ต้องไปจับเคลื่อนเราเคยไปทําหนอนเราก็จะจับจเอามันชัดๆเคลื่อนร่องรู้คือแค่เอาแช่กระทบรู้ก็พอไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปโยมไม่ต้องไปแบบว่าไม่ต้องไปให้มันรู้แค่กระทบรู้ครับครับ เวลาหยุดกับยืนก่อนไม่ใช่หมุนติ้วรีบๆไปกับหมุนติ้วรีบๆเพราะฉะนันมันจะวนไงความคิดมันจะไม่ออกมันจะวนความคิดที่มันที่มันเป็นอดีตแล้วมันจะผุดขึ้นมาสามวันสีวันเนี่ยมันจะเห็นอดีตเห็นไปเห็นอดีตไปที่ทามาความดีไม่ดีที่เราทํามามันจะเห็นอดีตมันจะผุดผุดขึ้นมาเพราะว่ามันจะสําลอก ของที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันออกคนที่มาทําคนใหม่ใหม่ถ้ามันสติมันดีนะถ้าสติมันมีสติมันนนัได้มันจะสํารอกอดีตมันจะเลี่ยงลําดับลําดับไปตั้งแต่เล็กๆคือตั้งแต่เราเริ่มมาปฏิบัติมันจะถอยมันจะย้อนย้อนยนยนหลังไปเห็นสิ่งที่เราทํากูทําไปได้ยังไงเคยเถียงพ่อเถียงแม่เคยว่าคือทาให้อะไรนั้นมันจับขวดขึ้นมาหมดนัตัวนี้พอมันสํารอกจิตมันเกิดปัญญาแล้วมันก็จะเข้าใจโอชีวิต ต่อไปแล้วมันมันจะไม่จะมันจะไม่ทําอีกเมันเห็นภัยเห็นอเนอันนั้นนั้นเราเรามันจะมันจะสําลอกในสามวันสี่วันเนี้มันจะเห็นอดีตที่เราทําไม่ดีนี่แหละเขาว่ามันเป็นอุปาทานเพราะอุปทานมันฝังไว้ในใจเะฉะนั้นการมาวิปัสสนาการปฏิบัติธรรมเนื่อมาล้างใจล้างอุปาทานออกคุณทําอะไรไม่ดีไม่ดีก็ช่างเหมือนเนี่ยที่ว่ากรรมกรรมนี่มันที่ว่าอะไรเขาว่า เขาบันทึกข้อมูลไม่ได้มีใครบันทึกหรอกจิตเรานั้นมันเป็นข้อมูลที่บันทึกไว้เหมือนตายไปเรื่อยเพราะว่ายมงพยาบาล้าเขจะไปสํารวจสอบอยู่ที่เรามดมันเขากับเขาว่ามันกับมันจะขึ้นจออะไรคุณทําดีคุณชั่วคุณจะดูของคุณเองตัวตัวที่ที่เราทําไปแต่นั้นเวลากันมาทํำยิปัศนาตอนนี้มันจะไปล้างล้างที่มันเราทําไม่ดีไม่ดีเี่ยมันจะล้างข้อมูลที่มันบันทึกไว้นี่ออก ออกแล้วจิตมันก็จะโล่งเริ่มโล่งเริ่มเบาเริ่มสบายดังนั้นที่คนไม่ทำแต่เนี้ยอย่างที่เราจะไปสารภาพบาปพระเจ้าล้างบาปไม่ไม่มีใครล้างให้ได้มีมีแต่เป็นเป็นวิธีการเป็นอุดมการเป็นความสบายใจเฉยเฉยใครจะไปล้างให้เราจริงมันบันทึกไว้จิตเรามันบันทึกไว้ในใจทงที่บางทีคนคนมันพุกมากๆแต่มันที่มันแสดงแรดงฆ่าตัวตายทําอะไรก็เลย น อ, อกจากความทิศความทุกข์พวกนี้ไม่ได้ก็เลย ม, ไ ม, ไมัไม่มีทางก็เลยเอาตรงนี้เมาเครียดจนยิ่งเล่าเขมยเห็นไหมอันนี้แค่นั้นอนั้ น, ย น, นโยมได้มาทําก็ถือว่าเขาบังคับมาเขาให้มาก็ถือว่าบุญแล้วละ่ะถ้าเขาไม่บังคับมาจ้างกูก็ก็ได้มาด้วยนะจ้างวันละร้อยวละสามร้อยกูก็ไม่มาที่ห้ามันเป็นงานอย่างเนี้ย ตอนนั้นยอมได้มานี่ยก็อดทนเอาเพื่อชีวิตที่ถ้าคุณมาทําตัวนี้นะมันถ้าคุณยังทําตัวนี้ไม่ได้นะชีวิตคุณจะหาความเจริญก้าวหน้าก็ยากตัวนี้มีอย่างเดียวชีวิตที่คุณจะอยู่โดยมีความสุขโดยมีมีความสุขในครอบครัวนะก็มีธรรมะที่จะบูรณาการร่วมกัน ถ, ถ้าผัวเมียนะพูดกับแบบตั้งแต่ไงนะผวเมียแฟนกันเนี่ยจะมีความสุขคุณต้องมีสินเสมอกันจ่าคะเสมอกัน สุกวนทุกวันนี้มันขาดศีลถ้าขาดศีลขาดทำรุง ค, คุณมันมีแต่ปัญหาเรื่องตั้งแต่ขาดศีลขาดทำได้ส่งและเสื่มได้ ไ, ดไปมีแฟนก็ส่งไปหาผู้บ่าทางไหนบุ้ยไ้ว ก, ก็จีบกันมาแล้วก็ฆ่ากันเห็นไหมทุกวนนนี้ยมีแต่ปัญหาเรื่องนี้เพราะไหนเพราะมันขาดศีลขาดทำก็คือขาดสติตัวเดียวนี่แหละทำมากของพระเจ้าทั้งหลายทั้งปวงแปดหมื่นสี่สิบมกันคือคือตัวรู้สึกตัวที่เราทําตัวนี้ยทําทําให้มันมาก ถ้าคุณไม่ทําชีวิตคุณหาความเจริญยากมีเงินก็เจ็บไม่ได้มีเงินที่ภาษาอีสานคือตามบ้านนะมีเงินคำ่ำบอมีทําเฝ้าไม่มีทําคอยรักษาจานี้มือหอยเถือมีทำทำมากเนี่ยไม่มีอินอ้อยคือทํามากเนี่ยเราต้องอาศัยตัวสติ in oy, ตอินอ้อยตัวน้อยๆเนี่ยตัวที่มันเราทําเนี่ยกูมไม่รู้สึกตัวรู้เปล่ากูทาอยู่แล้วเนี่ยเป็นยังไงม่ตัวรู้สึกตัวเนี่ย มันรู้อยู่แต่ว่ามันยังไม่ชัดเนี่ยคนเรามาทำคุณจะไปทำตั้งคาถามหาคําตอบมันคุณตั้งใจทำํำมารู้สึกกระทบรู้กระทบรู้กับทำไปรู้รู้รู้เนาะมั่วไปก่อนเล่นๆแล้องไปนั่งมั่วไปก่อนรู้ไม่รู้ไปมั่วงมาแบบแอะไปเยอะทำทำให้มันสนุกอ่ะอย่าไปทําให้มันซีเรียส เรไปทํำมันเสียตายไปมองคนนั้วก็โอ้ยคื อ, อมันน้ยมัจะรอดไหมไงชีวิตเราแค่แค่นี่ยแค่นี้เรายัางเรายัางเรายัางเพื่อนยังกูยังจะเอาไม่รอดแล้วชีวิตแต่มีลูกมีปัวต่อไปมันจะรอดหรือไงอยูย่มึยแ ค, แค่นี้ก็เอาตัวไม่รอดแค่ตัวมาทนะําช่นนี้ต้องฆ่าคุณใหญ่ตัวนี้นะทําคุณตัวใหญ่ตัวนี้คุณทําตัวนี้ชีวิตคุณสบายแต่ว่าคุณมาทำครั้งเดียว ว่ามาได้เลยคุณต้องรักอะ่ะอย่างน้อยคุณต้องหาโอกาสปีละครั้งคุณต้องกลับมาชาัด์ตถ้าคุณไม่ชัดถ้าเราเป็นครูใช่ไหมเขาไว้บางครั้ก็ไม่มาให้สมัครมากูก็ไม่มากูคิดว่ากูเข็ดแล้ววัดนี้มาแล้วไม่มาอีกสายหลวงพ่อเทียนนะถ้าคุณมาได้สติได้อารมณ์มาแล้วมาอีกส่วนมาก จะหายากอยู่มาแล้วไม่ค่อยใหม่มันทุกข์ดีไหมดีมาอีกไหมคิดดูก่อนเ <l ots> <l ots> พราะอะไรมันทุกข์ดีไหมดีมาอีกไหมคิดดูก่อนในที่าอยู่วัดแพทย์เสีงเทียนในหน่วยงานที่มาปฏิบัติไม่มีมากมาอยากก็ลูกน้องมาปฏิบัติแม่ลูกน้องมันด่าว่าหน้ามันสมน้ำหน้าทั้งลูกพี่ลูกน้องมันว่ากันนะ พามากูมาทุกพี่มันก็ทุกเหมือนกันนะมันพี่หัวหน้าก็พามาน่ะมันก็ไม่รู้ว่ามันมันยังไม่ว่าประโยชนมันก็รู้ว่าดีใช่ไหมก็มามาทำโอ้จากนั้นมันไม่ใหม่ครับพี่ั้งหัวหน้าลูกน้องมันทุกอันนั้นเราเราถือว่าโชคดีแล้วแหละชีวิตเราจะได้มีคุณภาพครอบครัวจะมีคุณธรรมนําไป ถ้าคุณไม่เอาตัวนี้หน่อยมันมีแต่ความหลงมีแต่ความมืดมืดมาคุณจะเอาแบบเขาว่ามืดมาก็มืดไปส่วนมากมันจะมืดมามืดไปจะมืดมาแล้วสว่างไปก็หายากสว่างมาแล้วก็สว่างไปก็หาย า, สากส่วนมากในยุคของเราเนี่ยมันมีแต่ความมืดมีแต่ความหลงหลงแก่หลงตายหลงกินไปหาเงินหากินไปกว่าตายไปแค่นั้นจะคําตอบมันก็อยู่อยู่ตัวนี้ตัวรู้สึกเนี่ยทําให้มันมากจเจริญให้มันมาก พุทธเจ้าบอกว่าทาให้มันมากเจริญให้มันมากเจริญให้มันได้ทุกขันธะทําให้มันเป็นให้มันต่อเนื่องเวลากินข้าวเวลาปฏิบัติธรรมพูดละเข้าห้องน้ำอะไรทำได้หมดปวดฉี่ปวดช่องปวดอะไรปวดฉี่ไว้ไงเดินไปมันปวดมันรู้สึกมันปวดแล้วเดินไปนั่นจะออกก็ชั่งมันผ้าก็ผ้ากูหรอวะเยี่ยวใส่ก็ชั่งมันสบายสบอย่างเงี้ยอย่าไปทุบกับเอเราซักซักกูซักเองวะผ้าก็ผ้ากูเนี่ เลยให้มันสบายสบายไงมันจะไปเกลียดเกลียดกันกับอะไรข่าก็ข่ากูกูก็ซักเองหรอวะเนีพร่งั้นเราเราก็ทําให้มันสบายสบายแค่จิตเรามันจิตมันไม่อมต่อท่านนะมันธรรมะมันไม่เข้ามันต่อต้านมันทุกข์พอแล้วๆวันเจ็ดวันวันนี้วันที่สามวันนี้วันที่สีแล้วเริ่มเบาเรื่อสบายวที่ห่างใกล้แล้วได้ยได้แต่วันนัเดี่ยวโจได้สติสตังอะไรกลับมา ให้มันสมกับว่าปริญญาตีเนี่ยบัณฑิตนะบัณฑิตคือผูร้รู้ปริญญาปริญญาแปลว่าบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจตัวเองนี่ไม่รู้อะไรนี่บัณฑิตจะคุณจะจบด็อกเตอร์คุณยังไม่รู้เห็นไม่ด็อกเตอร์ฆ่ากันตายออกมาทําไมความรู้ออกมาหาเงินแข่งกั น, กนอยั่งดียิ่งดีคือบัณฑิตคือให้รู้กายรู้ใจตัวเองนําไปในดําเนินในชีวิตประจําวัน บอกไว้ก่อนใครอยากรู้จากใครอยากทุกอะไปแต่งงานมีลูกเอาา้าหัวมีสามี้ใครไม่อยากทุกอยู่คนเดียวมาทุกจะหาทุกใส่ตัวเองนะ่ะคนต้องชอบทุกยอมกูยอมทุกตัว ก, กูก็เอาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลมีธรรมมีคุณธรรมคนมีศีลมีธรรมก็จะมาหาเรา ได้แฟนก็ไดแฟนมีศิลมีธรรมขันเพ่อบ่บ่เมืม่อด้วยกันก็่ด้แบบเมื่อด้วเมาเมามาแต่งานกันก็บอกเมาเมา น, นอนด้วยกันก็ส่งแบบผุดมาจากนรกเรามาเกิดกับเราทีเนี้ยเพราะว่ามันอรหังสัมมาโยโสไม่ได้ลูกพระพคตรลูกเทวดามาเกิดกับเราเขาได้แต่ลูกหลงหลงมาไงสังเกตไหมคุณอยากได้ลูกดีคุณก็ณตั้งตั้งปวดแยมจิตร่วก ม, กมกันเลเราจะทำยไงลูกเรามันอยู่ที่แม่ที่ตั้งเราลูกเราน่ะ ัสวยหน้าตานี่เกิดมาต้องเป็นคนที่เสียสละจากตรงนี้ยมันอยู่โบราณที่พ่อกับแม่ที่จะตั้งไว้ว่าแม่ก็ไม่รู้อะไรมืดมามืดบมกมืกมดก็มัดเด็วกว่าเลนะ่านั่นตะนั้นคนโบราณแต่ก่อนเขาก็มีลูกมีเต้านี่เขาจะไม่ให้ท่าสักให้ทําแไรกให้สวดมนต์ภาวนาแวันนี้ยังมีลูกยังไปเต้นเถกเตึ้งเต้ ง, ต ง, ตงเอาทุกข์ทุกข์สารพัดเล่ากินเมายาเขาสูตร แ ล, แล้วเด็กเกิดมาจะมีคุณภาพคุณภาพกายก็ยังพรว่าใจก็ไม่มีนี่แต่ความหลงแม่พาหลงลูกมันจะไปยังไงหลวงพูดไปมันก็สามทุ่มเนาะง่วงนอนยังยังเนาะงว่วงแล้วค่ะง่วงแล้วง่วงแล้วเอออ้า อ, อ, อ, อันนี้พ่อมัมีอะไรเนาะก็ให้ทําสูตรเพให้ทําความรู้สึกพรุ่งนี้ก็ให้เราตั้งใจลองสู้กับตัวเองดูสู้กับตัวเอง เราได้มาหือว่าทั้งนิง้์อาจจะเป็นครั้งแรกอะแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตใช่ไห ม, ไมนี่นะเราออกไปนี่เวมื่อไรอุ้มก็น่ากูจะมาใหม่คนตายเพราะว่าอย่าประมาทน้องพ่อเสียนพุทธเจ้าว่าอย่าประมาทถ้าไม่ประมาทก็คือต้องรู้สึกตัวในการลุกการไปการมาถ้าไม่ประมาทก็คือคุณต้องรู้สึกตัวการไม่ประมาทคือไม่รู้สึกคือให้รู้สึกตัวนั่นแหละการไม่ประมาทการนั้นก็ให้เราให้ใหตั้งใจ ทำไม่ได้ทําเพื่อใครที่เรามาทำเนี่ยเพื่อตัวเราเท่านั้นไม่ได้เพื่อใครไม่ใช่เพื่อโรงเรียนไม่ได้เพื่อเพื่ออานวยการเพื่อจะให้โรงเรียนก็เพื่อตัวเราเท่านั้นเพื่อคุณภาพชีวิตของเราถ้าเรามีคุณภาพชีวิตชีวิตเรามันดีขึ้นการเสียสละการทํางานมันก็เปิดใจกว้างเสียสระได้ก็คือก็ต้องอาศัยคุณธรรมก็คื อ, คอตัวรู้สึกตัวนี้ตัวเดียวนันทำให้ทุกคนได้ ผมได้พบเจอกับความรู้สึกตัวในเร็ววันอันใกล้นี้ถอง